เจริญพรถูกท่านอนุโมทนานะพวกเราขยันฟังธรรมหลวงพ่อตอนเป็นโยมก็ทุกเดือนย้อกไปกลับครูบาอาจารย์ที่ต่างจังวัดส่วนมากไปโคราชกลับหลวงพ่อพุทธไปทุกเดือน ประมาณสามเดือนมีวันหยุ ด, ดยาวๆมีห ม, า, า, มาคามีสาขาอาสันหะเราก็ช่วงเดินธันวาเอาไปหาครูบาอาจารย์ที่อยู่ไกลกว่านั้นไปสุรินไปหนองคายอุดรไปเชียงใหม่มีวันหยุดวันหยุดพักผ่อนเก็บมาไว้ ไม่ไปไหนเอาเวลาไปวัดกลับครูบาอาจารย์ไปเรียนกรรมฐานวันที่เหลือคอยดูข่าวมีครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือเข้ามาเทศในกรุงเทพตามวัดโน้นวัดนี้ก็ไปฟังงันกิจกรรมในชีวิตหลวงพ่อนี่เป็นเรื่อง ของธรรมะนะไม่ใช่เรื่องอื่นให้ไปเที่ยวไปเลยไม่ไปไม่อยากไปนะไม่สนใจไปเจอครูบาอาจารย์มันสดชื่นได้กำลังเมื่อก่อนครูบาอาจารย์ที่ดีๆเนะี่ยมีจำนวนมากท่านมนเบียนเข้ามาในกรุงเทพแล้วก็ไปกราบ อาทิตนี้วัดนี้อาทิตนี้ที่นี่นีน่มันเป็นการลงทุนให้กับชีวิตตัวเองจิตใจที่มันสนใจธรรมะนะคเคล้าเคลียอยู่กับธรรมะนะสิ่งที่ได้มาก็คือธรรมะถ้าใจเราสนใจกับอาธรรมนะสิ่งที่ได้มาก็คืออาธรรม ง้นอย่างพวกเราเดือนหนึ่งมาเจอกันครั้งหนึ่งอะไรอย่างนี้พวกเราจะรู้สึกหรือเปล่าหลวงพ่อไม่รู้แต่สำหรับหลวงพ่อทุกคราวที่เจอครูบาอาจารย์เราได้กำลังได้กำลังของจิตอย่างน้อยเราก็เห็นตัวอย่างที่ดีหรือเวลาเราไปพบครูบาอาจารย์เนี่ย เราไม่กล้าทำชั่วก่อนจะไปพบเราไม่กล้าทำชั่วเราะครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อแต่ละองค์เนี่ยจิตใจท่านแผลว่ามากเนยเราไปทำอะไรอีท่าไหนนะดีไม่ดีท่านเข็ดกระบาลเราเพรนเวลาเข้าไปหาครูบาอาจาร ย, ย์ไปฟังธรรมไปเล ย, เยจิตมันได้กำลัง อาศัยศรัทธาในพระพุทธศาสนานรู้จักเลือกเฟ้นว่าครูบาอาจารย์องค์ไห น, นที่ท่านอยู่ในแนวทางของพระพุทธเจ้าและจะสอนเราสอนเราได้ก็ไปหามีศรัทธาเราก็เลยเข้าใกล้ท่านผู้รู้เข้าใกล้แล้วก็มีโอกาสได้ฟังธรรมได้ตั้งใจฟังธรรม ก็ได้ฟังธรรมแล้วก็น้อมนำเอาธรรมะมาปฏิบัติไม่เคยทอดทิ้งธรรมะตั้งแต่เด็กพ่อแม่พาไปหาครูบาอาจารย์จริงๆหลวงพ่อเข้าวัดตั้งแต่อายุไม่กี่เดือนผู้ใหญ่เขาอุ้มไปใส่เบาะไปไปฟังเทศ เอาไปวางไว้ข้างๆธรร ม, มาร์ตเราก็นอนไม่ร้องนะฟังเทศไม่รู้เรื่องหรอกแต่ตอนอายุมากขึ้นหน่อยหนึ่งเดินได้แล้ววิ่งได้แล้วคราวนี้เราเลือกเองถ้าตอนไหนพระเทศมีนิทานเราก็ามาฟังตอนไหนไม่มีนิทานเราก็าไปวิ่งเล่นนะธรรมดาของเด็กแต่ใจนะั้นมันเข้าเคลียร์อยู่กับวัดอยู่กับพระตั้งแต่เด็ก กานเจ็ดควบพ่อพาไปกลับท่านพ่รีวานโศกะรังท่านจับนั่งตักท่านแล้วก็สอนให้ใชเข้าพูดหายใจออกโทนับหนึ่งห้ใชเข้าพูดออกโทนับสองสอนกลับมาบ้านปฏิบัติทุกวันครูบาอจารย์สอนอะไรขอวงพ่อทำไม่ดือเกิดครูบาตาจารย์ ท่านสอนให้ภาวนาธรรมะพ น, น, นสติก็ทําทุกวันทุกวันปฏิบัติสม่ําเสมอแต่ตอนแรกก็ทําผิดตอนแรกพอจิตมันสงบนะทีแรกหายใจเข้าพูดออกโทนับหนึ่งนับสองไปด้วยพอจิตสงบมากขึ้นในการนับพ็หายไปพอจิตสงบมากขึ้นพูดโทหายไป เหลือแต่ลมหายใจพอจิตสงบมากขึ้นลมหายใจหายไปมันกลายเป็นแสงเป็นแสงสว่างที่ข้างหน้าเราเนี่ยนี่มันเป็นของแปลกใหม่ไม่เคยเห็นทีมันสว่างใจมันเลยเคลื่อนเข้าไปในแสงพอใจเราเคลื่อนเข้าไปอยู่ในแสงนะีมันอยากไปเห็นสวรรค์นนะแสงมันก็พุ่งไปสวรรค์ อยากรู้อยากเห็นอะไรแสงนี้ก็พุ่งไปจิตมันก็ตามแสงไปไม่เล่นอยู่ช่วงหนึ่งเราก็พบว่ามันไม่ใช่เราไปเห็นเทวดาเราก็อยู่กับเทวดาไม่ได้เขามีของกินเราก็กินกับเขาไม่ได้เหมือนเราไปเที่ยวบ้านเศรษฐีเราอยู่กับเขาไม่ได้กินกับเขาไม่ได้ไม่เห็นมีประโยชน์ แลอย่างหนึ่งถ้าจิตออกข้างนอกแล้วไปเจอผีเนี่ยหลวงพ่อเป็นคนกลัวผีนะกลัวผียิ่งกลัวยิ่งเจอบ่อยไม่เหมือนบางคนนะกลัวแล้วไม่เคยเจอเนี่ยเจอแล้วจิตมันออกข้างนอกตามแสงออกไปแต่ตอนเด็กๆ ก, กลัวเพราะงั้นเวลาเราจิตรวมลงไปมันสว่างขึ้นมาเนี่ย พอมันจะเคลื่อนออกข้างนอกนะหลวงพ่อไม่ยอมให้เคลื่อนนะ้หลวงพ่อก็กลับมารู้สึกตัวนะหายใจให้แรงขึ้นกระตุ้นความรู้สึกตัวให้ชัดเจนขึ้นจิตมันก็ไม่เคลื่อนออกข้างนอกอันนี้พวกเราไว้ใช้ได้นะเวลาจิตเราจะไปข้างนอกอะยากไปสนใจสิ่งภายนอกให้ย้อนเข้ามาที่กายที่ใจของเรามาอยู่กับลมหายใจมาอยู่กับพุโทโธอยู่กับธริกรรมอะไรของเราไป อย่าให้ใจแลงนอกครนะาานี้พอเราฝึกให้มันมีสติสัมปชัญญะอยู่ข้างในไม่ออกนอกเวลาจิตรวมลงไปนะตัวผู้รู้มันเด่นดวงขึ้นมาทีแรกอาทางที่จะไปต่อทำความสงบนนะมันสงบอยู่เฉยๆมันไปไหนไม่ได้ไม่เห็นเจริญขึ้นเลย ได้อ่านหนังสือบ้างได้ฟังบ้างครูบาจารย์ยุคก่อนส่วนใหญ่ท่านจะสอนพุทโธแล้วพิจารณากายหลวงพ่อลองพิจารณากายบ้างดูเส้นผมพอดูเส้นผมเนี่ยกำลังสมาธิมันมากผมมันหายไปเลยเห็นหนังศีรษะดูหนังศีรษะหนังศีรษะก็เปิดออกไปนะเห็นหัวกะโหลกดูหัวกะโหลกต่อไปนะหัวขาดเลยได้ตัวดูตัวลงมาอีก เนื้อหนังอะไรพวกนี้หายไปหมดเหลือแต่กระดูกดูกระดูกมันกระดูกมันระเบิดกลายเป็นเศษกรวดก้อนเล็กก้อนน้อยอยู่ใสๆดูต่อไปอีกมันกลายเป็นแสงสลายตัวไปเป็นแสงงั้นตั้งแต่เด็กๆนะรู้อย่างหนึ่งว่าวัตถุทั้งหลายเนะี่ยเมื่อเราแยกย่อยละเอียดออกไปนะแยกแยกแยกเข้าไปได้สุดท้ายมักลายเป็นคลื่นแสงท่าน สลายตัวไปเป็นเคลื่อนแสงกระจายออกไปมันไม่มีตัวมีตนอะไรแต่ตอนนั้นไม่เข้าใจคำว่าไตรรักแค่รู้อย่างเดียวว่าร่างกายนี้มันหายไปหมดแล้วเหลือแต่จิตดวงเดียวเพราะร่างกายหายไปเหลือแต่จิตดวงเดียวไม่ขาดสติแล้วพอกลับมามีร่างกายนี่มันมีความรู้สึกที่ชัดเจนอยู่ในใจตลอดเวลา ว่าร่างกายกับจิตใจนี่เป็นคนละอันกันเพราะงั้นมันเป็นการแยกขันขันมันแยกมาแต่เด็กเลยพะเราทำสมาธิไปเรื่อยแล้วจิตรวมลงไปจนร่างกายสลายไปหมดแล้ว แ, แต่จิตพอกลับมามีร่างกายมันจะรู้ว่าร่างกายกับจิตน่ะเป็นคนละอันกันนะงั้นหลวงพ่อไม่ไม่เดือดร้อนเรื่องการแยกขันนะมันแยกได้แต่แต่เล็กๆ เ, เลยมันแยกมาด้วยการ น, นั่งสมาธิ เสร็จเราก็หาทางไปต่อไม่ได้นะไปนั่งอ่านพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกก็ตู้หนึ่งรวมก็อ่านทกถาด้วยนะตู้หนึ่งเต็มเ็มเลยพยายามอ่านนานอนะ่านอ่านพระวินยัยอ่านพระสูตรอภิธรรมอ่านไม่รู้เรื่องอภิธรรมอ่านไม่รู้เรื่องไม่รู้ว่าท่านต้องการเสืออะไรเริ่มต้นกุศลธรรมากุศลธรรมาพยากตาธรร ม, มา เนี่ยทำบทที่หนึ่งเลยนะทำที่เป็นกุศลทำที่เป็นอกุศลนะทำที่ไม่ใช่กุศลอกุศลจบละไม่รู้จะไปปฏิบัติยังไงอ่านพระวินยัยอ่านพระสูตนะรเนี่ยรูนะ้แต่ก็ไม่รู้จะเริ่มต้นปฏิบัติยังไงในพระสูตรเนะี่ยก็สอนวิธีปฏิบัติเอาไว้มากมายกายของเยอะแยะไปหมดเลยนะการทำสมาธิก็มีหลากหลาย นะการเจริญสติปัฏฐานก็มีทั้งเยอะแยะเลยไม่รู้จะเริ่มตรงไหนนะก็เลยภาวนาไม่ได้สักทีหาจุดเริ่มต้นไม่ได้จนอายุยี่สเก้านะปีสองห้าไปเจอหลวงปู่ดุลครั้งแรกหลวงปู่ดุลท่านสอนให้หลวงพ่อดูจิตท่านสอนว่าจิตส่งออกนอกเป็นสมุทยัยผลที่จิตส่งออกนอกเป็นทุกข์ จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งนะเป็นมักผลที่จิตเห็นจิตอย่างแ จ, แจ่มแจ้งเป็นนิโรธสอนเนี้ท่านบอกให้ไปดูจิตนะอ่ะหลวงก็ปลื้มนะท่านบอกให้ไปดูจิตเนี่ยเราได้เคล็ดลับอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วที่ผ่านมาเราเคยดูกายเราไม่เคยดูจิตหลวงปู่สอนแปลกสอนให้ดูจิตมันก็สอนเรื่องอริยสัจท่านบอกว่าธรรมะ มันเกิดที่จิตนะทุกข์มันก็เกิดที่จิตความพ้นทุกข์มันก็เกิดที่จิตคาว่าจิตทรงออกนอกเป็นสมุทยัยผลที่จิตออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคผลที่จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแช้งเป็นนิโรธเป็นเรื่องเหตุกับผลสองคู่นคู่ที่นำไปสู่ทุกข์กับคู่ที่นำไปสู่ความพ้นทุกข์ท่นบอกมันอยู่ที่จิตทั้งหมดเลยอริยสัจสีนะ ดง้นหลวงพ่อเกิดฉันทะเกิดความกระตือรือร้อนที่จะเรียนรู้จิตนะพอท่านสอนเสร็จท่านถามเข้าใจไหมกลับเรียนท่านว่าเข้าใจนะก็ลาท่านไปขึ้นรถไฟจะลงมาโคราชจากสุรินทร์พอรถไฟเริ่มเคลื่อนรถไฟมาออกสิบโมงเช้ารถไฟออกนะนึกขึ้นได้ท่านให้ดูจิต จิตเป็นยังไงเราไม่รู้จิตอยู่ที่ไหนเราไม่รู้จะเอาอะไรไปดูเราไม่รู้จะดูอย่างไรเราก็ไม่รู้รวมกันแล้วเราไม่รู้อะไรสักอย่างเลยที่เกี่ยวกับจิตตัวเองหลวงพ่อตกใจนะจะลงจะกรถไฟไปถามหลวงปู่ก็ไม่ได้รถวิ่งลวนะ้ว่าตกใจทำยังไงนะตกใจหลวงพ่อกลับมาทำมานาปัญสติเลยนะกลับมาหายใจเข้าพูดหายใจออกโทง อันนี้เป็นหลักของการปฏิบัตินะตอนนั้นหลวงพ่อคลำเส้นทางมาเหมือนคนตาบอดนะคลำ ม, มาครูบาอาจารย์ก็บอกเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอะไรอย่างนี้คลำคลไปไม่ได้รู้อะไรจริงอนะแต่ใจที่มันเคยปฏิบัตินะเวลาเราคลำไปแล้วมันคลำถูกช่องทางไปถูกล่องนะไม่คลำออกไปนอกรู้นอกทางถ้าเราไม่เคยฝึกไม่เคยปฏิบัตินะว่าจะคลาถูกจุดยากมากเลย ทะเลทะไหลออกไปข้างนอก น, น่ง่ายมากอย่างจุดแรกเลยก็คือถ้าเราภาวนานะเราดูอะไรไม่ถูกแล้วทำอะไรไม่เป็นทำอะไรไม่ถูกลกลับมาทำสมถะนี่เป็นหลักของการปฏิบัติเลยนะพวกเราต้องเอาไว้ใช้ดูจิตไม่ได้ดูกายไม่ได้ทำสมถะ พอทำพุทโตพุทโธหายใจพุทโธไปนะจิตสงบพอจิตสงบเนี่ยปัญญามันเกิดพิจารณ า, าหลวงปู่บอกให้ดูจิตตัวเองจิตจะอยู่ที่ไหนะเนี่ยจุดแรกเลยจิตอยู่ที่ไหนจิตต้องอยู่ในร่างกายเนี่ยจิตไม่ไปอยู่ที่ท้องนาไม่ไปอยู่ตามต้นไม้ริมทางรถไฟจิตไม่อยู่ข้างนอกจิตเจะต้องอยู่ในกายเนี่ย เันตั้งแต่นี้ต่อไปเนี่ยเราจะเรียนรู้อยู่ในกายเนี่ยไม่ให้เกินกายออกไปนะคอยเรียนรู้ไม่ให้เกินร่างกายออกไปเพราะนั้นไอการที่เราจะออกไปเห็นผีเห็นเทวดาอะไรเนี่ยเกินกายออกไปไม่ใช่ทางไม่เอานะนี่ก็เป็นหลักของการปฏิบัตินะหลักข้อแรกเลยทําอะไรไม่ได้ทําสมถะไว้ก่อนนะหลักอีกข้อหนึ่งก็คือ การจะเจริญปัญญาเนี่ยอย่าให้เกินกายออกไปเรียนรู้อยู่ที่กายเรียนรู้อยู่ที่ใจตัวเองนี่พอหลวงพ่อรู้แล้วว่าจิตมันอยู่ในกายมันก็เกิดปัญหาต่อไปทันทีจิตอยู่ตรงไหนของกายนะแล้วพ่อดูไปที่ผมผมสลายไปไม่เห็นมีจิตโผล่ขึ้นมาดูตั้งแต่หัวถึงเท้านะร่างกายสลายไปนะไม่เห็นว่ามีจิตอยู่ตรงไหนเลย จิตอยู่ในร่างกายแต่ไม่ได้อยู่ที่ส่วนไหนของร่างกายเพราะฉะนั้นจิตมันไม่ใช่ร่างกายก็ามาคิดต่อไปอีกหรือว่าจิตคือเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์ที่หลวงพ่อแยกลงมาในขันห้าประมาณนี้ยเพราะตอนเป็นนักศึกษานะหลวงพ่อเคยบวชที่วัดชนประธานใกล้ๆตรงนี้อยู่ประเกตดเนี่ยบวชอยู่กับหลวงพ่อพัญญา ก็มีบทส่วนมนแปลในบทส่วนมนรมวัเช้าเนี่ยพูดเรื่องขันห้ารูปูปาธทานขันโทขันนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปเวทนูปาธทานขันโทขันนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วก็สอนรูปังอนิจจังเวทนานิจจาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนิจจังอรเงี้ยรูปังอนัตตา เนี่ยเป็นบทธรรมะเชา้านี่พอหลวงพ่อจะมาหาจิตนะก็เลยหาลงในขันหานี่เพราะมันจะต้องอยู่ในขันหานี้จิตไม่มีเกินขันหานี้ไปเริ่มมาดูจากตัวรูปรูปหายไปเราก็ไม่เจอจิตหรือมันอยู่ในเวทนาคือความสุขทุกข์นะเราก็ทาใจให้มีความสุขนะล้วเราทำสมาธิคล่องๆนะนึกจะมีความสูงก็มีนะ น้ำทำใจสงบพุ๊บมันก็มีความสุขพอจิตมีความสุขเราดูลงไปในความสุขนความสุขอยู่ได้โชคราภดับไปพอดับไปก็ไม่เห็นมีจิตโผล่ขึ้นมาก็เลยสงสัยหรือจิตอยู่ที่ความทุกข์จะนั่งสมาธิให้เป็นทุกก็นั่งไม่เป็นนั่งทีไรก็มีแต่ความสุขความสงบก็เลยอาศัยร่างกายนั่งไม่กระดุกระดิก นั่งนิ่งๆไม่กระดุกกระดิกนะรถไฟมันก็โยกไปโยกมาช่างมันเราไม่เคลื่อนไหวไม่เคลื่อนไหวสักพักหนึ่งเนี่ยร่างกายมันเริ่มปวดเริ่มเมื่อยมันปวดเมื่อยเราก็ดูลงไปนะไม่ยอมกระดุกกระดิกดูไปที่ความรู้สึกปวดดูดูดูดไปจนความรู้สึกปวดมันหายไปสลายไปมันไม่เที่ยงเหมือนกันก็ <sweats h irt> ไม่เห็นมีจิตโผล่ ข, ขึ้นมาก็คลาต่อไปอีกหรือว่าจิตอยู่ในความคิด ดอนนั้นลืมกคำว่าขันห้าไปแล้วชักมั่วไปหมดแล้วสงสัยว่าจิตมันอยู่ในความคิดหรือเปล่าก็เลยจงใจคิดนะ่ะคิดบทสวดมนต์นั่นแหละพุทธโธสุสุทธโธกรุณามหันโวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดังพวงมาหันนบเนี่ยคิดบทสวดมนต์ น, นี้พอคิดปุ๊บเนี่ยเราเห็นกระแสของความคิดนะ่ะมันเลือ้อยขึ้นมา มันไหลขึ้นมาจากความว่างๆกลางอกนะกระแสะความคิดไหลไห ล, ไหลขึ้นมาแล้วมันก็สลายตัวไปไหลมาแล้วสลายไปตรงที่เราเห็นความคิดผุดขึ้นมาแล้วความคิดดับไปนะพอมันดับปั๊บเนี่ยตัวรู้เกิดขึ้นมาเลยจิตผู้รู้มันเกิดขึ้นดันทีเพราะจิตผู้รู้กับจิตผู้คิดนะ่มันตรงข้ามกันเนะมื่อไรคิดมันนั้นไม่รู้เมื่อไรรู้มันนั้นไม่ได้คิด งัเวลาเราภาวนารืเราอยากจะเจอจิตผู้รู้เนี่ยให้เรารู้ทันเวลาจิตมันหลงไปคิดตอนนั้นเข้าใจว่าถ้าจิตหลงไปคิดแล้วเรารู้เนี่ยเราจะเจอจิตผู้รู้ตอนหลังถึงจะเข้าใจมากกว่านั้นจริงๆแล้วสภาวะธรรมทั้งหลายจะ เ, เป็นรูปธรรมหรือนามธรรมก็ตามถ้าเรารู้สภาวะธรรมทั้งหลายลงปัจจุบันได้นะ ตัวผู้รู้เกิดขึ้นทั้งสิ้ไม่เฉพาจิตคิดนะอยจิตกโกรธรู้ว่าโกรธปุ๊บเนี่ยตัวรู้จะเกิดทันทีจิตลอบรู้ว่ารอบปุ๊บตัวรู้ก็จะเกิดทันทีของหลวงพ่อเนี่ยจิตมันคิดเราเป็นคนดูเห็นกระแสความคิดมันไหลไปจิตมันผุดขึ้นมานะจิตมันคิดขึ้นมามนผุดความคิดขึ้นมาแล้วก็หายตรงที่เราเห็นจิตคิดเนี่ยจิตรู้เกิดขึ้น ว่าจิตผู้รู้เกิดขึ้นนะว่าแทบเคอะหัวตัวเองนะไอ้จิตผู้รู้เนี่ยเราเห็นมาตั้งแต่เด็กแล้วจากการนั่งสมาธิให้จิตเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่อย่างเงี้ยเอาละได้หลักและ้ะกุญแจสําคัญที่หลวงปู่ดูลให้ก็คือจิตตอนหลังมาภาวนานถึงเข้าใจนะจิตเนี่ยเป็นกุญแจที่จะไขไปสู่ธรรมะใน ใ, นใจเราถ้าเราไม่ได้จิตก็ไม่ได้ธรรมะอันเนี้ยหลวงปู่มั่นสอนไว้ ได้จิตคือได้ธรรมนะเสียจิตไปก็คือเสียธรรมะไปในหลวงปู่ดูลบอกให้ดูจิตหลวงพ่อก็ไปดูพอดูแล้วได้ตัวจิตผู้รู้มาคราวนี้เข้าใจคําสอนของท่านผิดแล้วได้ผู้รู้มาแล้วเลยไปจ้องอยู่ที่ตัวผู้รู้มันเกิดตัวผู้รู้สอนผู้รู้ไปเรื่อยๆนะผู้รู้สอนผู้รู้ไปตรงนี้เขาเรียกว่าวิญญาณวิญญาณเป็นอ น, นันต์วิญญาณไม่มีที่สุด อย่างบิน ญ, ญาณคือจิตตัวนี้เกิดขึ้นเกิดจิตอีกตัวหนึ่งไปรู้จิตตัวเก่านะซ้อนซ้อนซอนไม่มีที่สุดเลยแต่ก็ภาวนาอยู่อย่างเงี้ยคิดว่าเนี่ยคือการดูจิตดูอยู่สามเดือนนะมาอยู่ที่ตรงนี้แต่เดิมมีตัวรู้อยู่เฉยๆไม่มองต่อนี่ได้ยินหลวงปู่ดูลย์บอกให้ดูจิตให้ไปมองตัวผู้รู้ก็เกิดตัวผู้รู้ซ้อนตัวผู้รู้ไปเรื่อยๆ พอมีตัวผู้รู้ซ้อนตัวผู้รู้แล้วคิดว่านี่แหละคือการดูจิตที่ส่งเงินบ้านหลวงปู่ดุลกราบเรียนท่านผมเห็นจิตนะจิตมันพิสดารมากมันทํางานได้สารพัดแตวผมรู้ท่านมันไปแล้วนะแก้ไขได้แต่เนี้ยจิตมันตั้งมันเป็นคนดูอยู่นะแล้วก็ผมเฝ้าอยู่ที่จิตนะนะี่แหละดูอยู่ได้ทั้งวันเลย หลวงปู่ดูลบอกว่านั่นเป็นการแทรกแสงอาการของจิตยังไม่ได้ดูจิตเลยแทรกแสงอาการของจิตเพราะจิตเนี่ยเป็นธรรมชาติคิดนึกปรุงแต่งเราไปจ้องจนมันไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งมันนิ่งนิ่งอยู่เฉยๆท่านบอกทําผิดแล้วละ่ะไปดูใหม่เสียงท่านไม่นุ่มนวลแบบนี้นะเสียงหลวงปู่ดูลยผิดแล้วไปดูใหม่โอ้เสียงท่านเฉียบขาดมากเลยนะแบบนักรบแท้ๆเลยประเภท เราทะเลาะทะเานะท่านฟันคอขาดเนาะดูท่านดูเองจริงๆท่านไม่ดูเนาะแต่ว่าสำเนียงท่านเวลาพูดนี่ยเสียงมันเฉียบคาดเพาท่านให้ไปดูใหม่อคนละสิครับหลวง ป, ปู่พูธแค่นี้เราก็ครับแค่นี้แหละกลับมานะเมื่อท่านบอกให้ดูท่านไม่ได้ให้เราไปรักษาจิตให้นิ่งให้ว่าง ไม่มีนะลูกศิษย์หลวงปู่ดุลรุ่นหลังๆบางคนนะะรุ่นไล่ๆกับหลวงพ่อเนี่บางทีเลยแก่กว่าหลวงพอ น, นิดหน่อยชอบไปสอนกันว่าให้ทําจิตให้ว่างไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งไอ้เนี่ยคือสิ่งที่หลวงปู่ดุลสอนหลวงพ่อว่ามันผิดเป็นการแทรกแสงจิตเป็นธรรมชาติรู้อารมณ์จิตมีธรรมชาติต้องคิดนึกปรุงแต่งเราไปทําจนกระทั่งมันไม่คิดนึกปรุงแต่งนั่นเป็นการแทรกแสงจิต ให้ไปดูไม่ได้ให้ไปแทรกแซงเรางพาก็จับหลักคำว่าดูจับคำว่าดูมาเราดูหนังหรือดูหนังสือดูอะไรก็ตามเนี้ยสิ่งที่ถูกดูเป็นยังไงเราก็ดูไปอย่างนั้นอย่างเราจะดูหนังเนียหนังมันเป็นยังไงก็ดูไปองั้นเราไม่ใช่คนเขียนบทเราไม่ใช่ผู้กํากับการแสดงเราไม่ใช่นักแสดงเราไม่ใช่นักวิจารณ์แต่เราเป็นคนดู มันจะดีหรือมันจะชั่วมันจะดีหรือชั่วสุขหรือทุกข์เราจะเป็นแค่คนดูนี่หลวงพ่อจับหลักจากคำว่าดูเนี่ยนะดูเหมือนเราดูหนังสือเราไม่แทรกแสงเราไม่ได้เป็นนักประพันธ์ไม่ได้แต่งไม่ใช่นักพิจารณ์หนังสือด้วยเราเป็นคนอ่านหนังสือเฉยๆต่เป็นี้อ่านจิตตนเองก็พบ ว, ว่าจิตใจของเราเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทีแรกหัดดูทีแรกก็จะเห็นความรู้สึกต่างๆจิตเนี่ยเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็โลภโกรดหลงพอดูไปนะแล้วก็เริ่มเห็นความจริงแล้วจิตสุขอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับไปจิตทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับไปจิตโลภโกรดหลงอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับไปจิตตั้งมั่นที่เป็นตัวผู้รู้อยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับไปเหมือนกับจิตอย่างอื่นนั่นแหละ เราจะไม่สงวนรักษาตัวผู้รู้อีกต่อไปละตัวผู้รู้ก็สอนธรรมะเราเท่าๆกับตัวผู้หลงนั่นแหละเท่าเทียมกันไปหมดเลยเราเห็นอย่างนี้ซ้ำๆๆนะเห็นอยู่สี่เดือนขึ้นไปกราบหลวงปู่ไปรายงานการปฏิบัติไ้จิตมันรวมลงมาเคลิ้เคลิบลงไปหลวงปู่ว่าจิตมันเข้าสมาธิแล้วจิตมันไปเดินปัญญาข้างในสมาธิมเห็นความเกิ ด, ดภายใน ไม่รู้ว่าอะไรเกิดไม่รู้ว่าอะไรดับเห็นแค่สิ่งบางสิ่งไหวตัวขึ้นมาแล้วก็ดับไหวขึ้นมาแล้วก็ดับเห็นอยู่แค่นั้นเองนะเสร็จแล้วจิตมันก็เกิดความเข้าใจขึ้นมานะจิตมันไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่มีมันอุทานขึ้นมาเลยเ อ, อจิตไม่ใช่ตัวเราเนี่ยนี่ก็ไปกลับเรียนหลวงปู่นะพอมบอกว่าจิตมันเคลิมเคล้มลที่เหลือเนี่ยท่านอธิบายให้ฟังเองเลย ท่านพูดเองนะเนี่ยครูบาอาจารย์หลวงพ่อไม่ธรรมดานะความรู้ความเห็นของท่านเนี่ยลึกมากเลยเราพูดประโยคนึงท่านรู้ไปหมดแล้วรู้ไส้รู้พุงเราหมดแล้ะท่านก็บอกว่าพึ่งตัวเองได้ละนะต่อไปนี้ไม่ต้องมาเรียนกับท่านก็พึ่งตัวเองได้ละไม่ต้องมาเรียนกับท่านก็ได้หลวงพ่อก็ไปไปหาท่านได้ๆก็ภาวนา ม, มาด้ื่อยดูจิตดูใจไปเรื่อยๆ ความทุกข์นะมันค่อยๆห่างเราอกไปเรื่อยๆใจมันมีความสุขมีความสงบมีสันติมากขึ้นมากขึ้นเพราะงั้นเวลาเราภาวนานะจับหลักให้แม่นๆคอยรู้สึกตัวไว้อย่าใจลอยอย่าเที่ยวส่งจิตออกนอกไปรู้สิ่งโน้นสิ่งนี้ให้จิตใจมันย้อนมาเรียนรู้อยู่ในกายในใจนี้จะเริ่มจากกายก็ได้เริ่มจากใจก็ได้ และแต่ความถนัดเพราะกายก็สอนไตรลักษณ์ใจก็สอนไตรลักษณ์แต่การรู้กายนะั้ใครเป็นคนรู้จิตเป็นคนรู้นะเพราะฉะั้นเวลาดูกายอย่างถูกต้องเนี่ยมันจะมีจิตเป็นคนดูถ้าไปดูกายแล้วเห็นแต่กายไม่เห็นจิตที่เป็นคนดูเนี่ยใช้ไม่ได้นะเรียกว่าขันมันไม่แยกมันต้องแยกขันได้อย่างน้อยสองขันรูปประขันคือร่างกายกับนามาขันคือตัวจิตให้แยกออกจยกกัน ตัวิญญาณหนักขันไห้ตัวจิตต้องแยกออกมาถ้าจะดูเวทนาก็ต้องแยกเวทนาเป็นของถูกรู้ถูกดูสุขทุกข์ถูกรู้ถูกดูจิตเป็นคนรู้คนดูต้องมีจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูเวลาเราดูทำจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยดูสังขารดูความปรุงดีปรุงชั่วทั้งหลายจิตลอบจิตไม่ลอบจิตโกรธจิตไม่โกรธจิตหลงจิตไม่หลง จิตฟุ้งซ่านจิตหดหูเนี่ยเราจะดูจิตอย่างนี้ใครเป็นคนดูจิตก็เป็นคนดูนั่นแหละอ้าวจิตเป็นผู้โลภโกรธหลงแล้วทำไมจิตเป็นคนดูถ้าเราแยกขันได้เราจะเห็นว่าโลภโกรธหลงไม่ใช่จิตโลภโกรธหลงเป็นสิ่งที่แทรกเข้ามาในจิตเรียกว่าเจตสิกเป็นสิ่งที่แทรกเข้ามาในจิตไม่ใช่จิตจิตเป็นคนรู้ว่าโลภรู้ว่าโกรธรู้ว่าหลง เน so e er ี่เราแยกผู้รู้ออกมานะตรงที่เราแยกผู้รู้ออกมาเราเห็นกายเจริญปัญญาด้วยการเห็นกายก็กายเคลื่อนไหวจิตผู้รู้เป็นคนรู้เวลาเจริญเมตนานุกปัสนาเราเห็นความสุขทุกข์เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงจิตเป็นผู้รู้เวลาเราเห็นกุศลอกุศลเกิดเห็นกุศลอกุศลเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงจิตก็แหละเป็นผู้รู้อยู่ S 1> <S 1> <S เห็นไมไห ม, ไ ม, ไมว่าเราจะทํากรรมฐานในหมวดไหนบับไดนะสติปัฏฐานอันไหนก็ตามเหอะต้องมีจิตที่เป็นผู้รู้นะเพราะฉะนั้นตัวจิตผู้รู้เนี่ยคือตัวกุญแจนะเป็นตัวสําคัญนะถ้าเราขาดตัวจิตผู้รู้เนี่ยเราเภาวนามไม่ได้จริงอย่างบางคนบอกแยกขันเห็นรูปพองอันหนึ่งเห็นรูปยุบอันหนึ่งนะไม่มีจิตออกจิตไหลลงไปอยู่ที่ท้องมองไม่เห็นนะก็พอ ง, งก็ยุบพองก็ยุบนะ จิตเข้าไปรวมกับอารมณ์คือจิตเข้าไปรวมอยู่กับท้องนะไม่ได้แยกออกมาเป็นคนดูพาจิตมันเข้าไปรวมอยู่กับอารมณ์มันเดียวเนี่ยมันคือการทําสมถะกรรมฐานสมถะกรรมฐานเนี่ยจิตมันจับอยู่ในอารมณ์มันเดียวนะอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นอย่างเราไปดูท้องพองยบเนี่ยจิตมันไหลไปอยู่ที่ท้องแล้วเราไม่เห็นนี่ยนะอันนี้กลายเป็นสมถะเราขยับมือในะอย่งหลวงพ่อเทียนทําจังหวะขยับมือ จิตไหลไปอยู่ในมือเียอันนี้เป็นสมถะธรรมานาปนสตินะแล้วจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจเป็นสมถะทำไมมันเป็นสมถะมันไม่ได้แยกรูปนามจริงนะอย่างมากมันก็แยกรูปกับรูปเช่นรูปหายใจออกไม่ใช่รูปหายใจเข้ารูปพองไม่ใช่รูปยุบอะไรเงี้ยนะรูปยกไม่ใช่รูปยางมันเป็นการแยกรูปกับรูปไม่ใช่แยกรูปกับนาม งันตัวสําคัญเนี่ยต้องแยกรูปกับนามแล้วนามที่สําคัญเนี่ยมันมีนามนี้สีตัวนะเวทนาสัญญาสังขารเนเรียกว่านามเจตสิกคือสิ่งที่เกิดร่วมกับจิตวิญญาณนี่คือตัวจิตสิ่งที่ต้องแยกออกมาให้ได้คือตัวจิตงั้นตัวจิตเนี่ยเป็นตัวกุญแจเวลาดูกายใครเป็นคนดูจิตเป็นคนดูเวลาดูเวทนาใครเป็นคนดูจิตเป็นคนดู เวลาดูสังขารที่เป็นกุศลอมกุศลอย่างโลภโกลดหลงนะใครเป็นคนดูจิตเป็นคนดูพอเรามีจิตเป็นคนดูแล้วเราจะเห็นความจริงเลยทุกสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูนะั้นะไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรามันจะเห็นอย่างนั้นทันทีเลยนะอย่างพวกเราเห็นจอข้างหลังหลวงพ่อไหมจอภาพอะเห็นไหมจอภาพนี้ถูกดูรู้สึกไหมจอภาพนี้ถูกดูใครเห็นจอภาพนี้คือตัวเราบ้าง ก็บ้าแล้วนะถ้าเห็นเจ้าภาพเป็นตัวเราทางนี้มีพระพุทธรูปลองดูพระพุทธรูปสิพระพุทธรูปเป็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูรู้สึกไหมเป็นสิ่งที่ถูกดูใครเป็นคนดูไอตัวที่อยู่ในนี้แหละเป็นคนดูพระพุทธรูปอยู่ข้างนอกนั้นใครเห็นพระพุทธรูปเป็นตัวเราบ้างถ้าเห็นก็เพียนแล้วนะ ต่อไปลองจับผมมุงตัวเองถ้าใครัวดร้านไม่รู้จะจับไงวะลองจับเส้นผมมุงตัวเองนะสัมผัสดูรู้สึกไหมเส้นผมมันถูกรู้ถูกดนะูเส้นผมก็เหมือนไอ้จอโปรเจกเตอร์เส้นผมก็เหมือนพระพุทธรูปนะนะั่นแหละแต่มันอยู่ใกล้เราหน่อ ย, เ, ยเส้นผมเนี่ยลองสัมผัสดูสิมันถูกรู้รู้สึกไหมเส้นผมถูกรู้สังเกตลงไปเส้นผมมันถูกรู้ มันไม่ใช่ตัวเราหรอกเราดูขนมีขนคิ้วขนคิ้วถูกรู้รู้สึกไหมขนคิ้วมันถูกรู้ใครเห็นบ้างว่าขนคิ้วถูกรู้ขนคิ้วที่ถูกรู้เนี่ยมันบอกไหมว่ามันเป็นตัวเรามันไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นตัวเราเลยนะไอ้คนที่เที่ยวรู้สึกว่าไอ้นั่นเป็นเราไอ้นี่เป็นเราคือไอ้จิตโง่ๆต่างหาก่ะตัวไอ้ของถูกรู้มันไม่เคยบอกเลยว่ามันเป็นตัวเรา มีครั้งหนึ่งนะหลวงพ่อพาเพื่อนๆกันขึ้นไปกราบหลวงปู่ศิมที่ทา่าผพระปรงเป็นเพื่อนเป็ น, เ พ, นเพื่อนแต่ในนามหรอกที่จริงคนละรุ่นกันนะ่ะเขาเอาวุโสกว่าหลวงพ่อไปเรียนสถาบันจิพยาความั่นคงหลวงพ่อเป็นชั้นพิเศษเร็วเพอชั้นพิเศษแล้วเขามีสิทธิ์ไปเข้าเรียนเขาแต่ละหน่วยงานแล้วคัดไปหลวงพ่ออายุน้อยก็ไปเข้าเรียนพวก พี่ๆที่เขาไปเรียนรุ่นเดียวกันนะเขาแก่ๆ แ, แล้วใกล้กเกษียณแล้วคล้ายๆเขาให้รางวัลจะได้ไปเที่ยวหลวงพ่อก็พาพวกพี่ทั้งหลายเนี่ยขึ้นไปนกราบหลวงปู่สิมพอไปถึงนะท่านให้นั่งขัดสมาธิเพชรรู้จักขัดสมาธิเพชรไหมขัดอย่างเงี้ย ว, ว่ายขาไกว่ะนะเจ็บใครเคยนั่งใครเคยนั่งขัดเพชรมันดีไหม บางทีนั่งไปเรื่อยๆนะอดทนนะถึงเวลาเลิกนั่งเอาขาออกไม่ได้อะไม่รู้จะทําไงขามันไม่ยอมออกขาไม่ใช่ตัวเราแล้วนะเนี่ยพอนั่งนั่งไปนะแต่ละคนเขาก็เมื่อยเขาทนไม่ไหวนะก็แอบคลายออกคลายออ ก, ออกนั่งราบบ้งนั่งพับเพียบพลิกซ้ายพลิกขวาไปเรื่อยหลวงปู่เทศอยู่ชั่วโมงกว่าๆนะเหลือนั่งได้ตลอดคือหลวงพ่อกับพี่คนหนึ่งพี่คนนี้ชอบเข้าวัด นั่งได้สองคนหลวงปู่ก็หันมาถามเป็นไงนั่งขัดเพชรเป็นไงนะท่านถามอย่างนี้พี่นี่ก็ตอบหลวงปู่เจ็บครับปวดมากเลยครับหลวงปู่ถามขามันบอกว่าปวดเหรอใช่ไหมท่านสอนคือสิ่งที่หลวงพ่อบอกพวกเราเนี่นะขามันไม่ได้บอกว่าปวดนะจิตต่างหากที่บอกแต่หลวงปู่ทํานไมพูดละเอียดหลอกพระโบราณ น, นะ สอนอะไรนิ ด, นดหน่อ ย, หอยให้เราพีนาเอเองท่านถามเลยขามันบอกว่าปวดเหรอพี่เขาก็ตอบหลวงพ่อนั่งยิ้มเลยขามันปวดเหรอเรารู้แล้วเพราะเราแยกขันเป็นเรารู้เลยขาไม่เคยบอกว่าปวดเลยความปวดเป็นอีกขันหนึ่งนะแทรกอยู่ในขาเท่านั้นเองแล้วก็ไม่ใช่จิตด้วยความปวดไม่ใช่กายความปวดไม่ใช่จิตมันเป็นเวทนาขันเป็นอีกขันนึงพอถูกถามว่า ขามันบอกว่าปวดเหรอพี่เขาก็ตอบเลยนะปวดจริงๆครับผมไม่หลอกหลวงปู่หรอกนะหลวงปู่ไม่ว่าอะไรสักคำหลวงปนะู่ยิ้มใจดีนะใจดียิ้มหวานไม่ว่าสักคำนะเราก็แอ บ, บยิ้มเหมือนกันแอบบยิ้มว่าแม่พี่เขายังไม่เข้าใจนะกูเก่งกูรู้เ <c oughs> ดีหลวงปู่ไม่แขกกระบาลให้ <c oughs> มึงรู้เหรอน หลวงปู่ท่านใจดีเนี่ยกิเลสนะมันไม่ไว้หน้าเราหนะเผลอเมื่อไหร่ ม, รมาเอาเราทุกทีหลวงพ่อในกิเลสเดยอนะที่มาสอนพวกเราได้เนะี่ยเพราะเห็นกิเลสสารพัดจะเห็นนะกิเลสอะไรที่พวกเรามีนะหลวงพ่อรู้จักอะ่ะเพราะงั้นไม่ใช่เรื่องแปลกเราคนนี้มีกิเลสอย่างงี้ยเราก็มีเราก็มีเหมือนกันเราก็เห็นเหมือนกันมันก็วยพิธีเห็นมันก็เหมือนกันอะไนระมันเห็นด้วยความรู้สึก เนี่ยกทั้งความเจ็บปวดนะก็ไม่ใช่ตัวเราร่างกายก็ไม่ใช่ตัวเรามันเป็นของถูกรู้ถูกดนะูลองไล่อยู่ในร่างกายคราวนี้ลองของที่ยากขึ้นผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยดูง่ายว่าไม่ใช่ตัวเราเพราะทุกเดือนของเราต้องตัดผมใชม่ทุกสัปดาห์เราตัดเล็บนะขนเนี่ยถ้าผู้ชายก็โกนหนวดทุกวันนะนะถ้าไม่โกนหนวด ไว้หนวดเยอะๆเขาต้องมาแต่งให้สวยงามไม่ได้ดูเหมือนหมาจรจัดนะลุงรังไปหมดเลยเนะนี่ยผมขนเล็บนะฟันใครเคยฟันหลุดบ้างใครไม่เคยฟันหลุดเลยยกมือเซฟมีไหมไม่เคยเลยเหรอฟันตอนนี้ยังเป็นฟันน้ำนมอยู่หรอือ <laughs> เนี่ยพระพุทธเจ้าสอนกรรมฐ า, านห้านะผมขนเล็บฟันหนังใครเคยหนังถลอกบ้างห น, นังที่ถลอกออกไปแล้วอะยังบางคนมีขี้หลังแขมีขี้หัวห ม, มันหลุดออกไปแล้วรู้สึกไหมขี้หลังแขเป็นตัวเราเป็นของเราผมที่ตัดเอาไปกองไว้เป็นตัวเราของเราไหมเนี่ยพอมันแยกออกจากร่างกายแล้วนั่นนะเราจะเห็นทันทีเลยไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรา แต่ว่าเราเดินปัญญาเนี่ยไม่จำเป็นต้องผมหลุดออกไปแล้วถืออย่ารู้ว่าไม่ใช่เรานะลองสัมผัสดูเป็นเราไหมนะผมคนเล็บปันหนังเนี่ยห้าอย่างนะเขาเรียกว่าตาจกกรรมฐานนะกรรมฐานห้านะกรรมฐานห้ามีผมคนเล็บปันหนังผมคนเล็บปันหนังเน่เวลาบวชพระ มีพระวินัยกำหนดนะอุปชาต้องสอนให้ลูกศิษย์ที่มาบวชนะท่องนะเกษาโรมานาะขาทันตาตาโจหรือผมคนเล็บฝันหนังแล้วถ้าอุปชาไม่สอนผมคนเล็บฝันหนังเนะี่ยอุปชาอาบัตนะอุปชาอาบัติเลยต้องสอนท่านบอกว่านี่เป็นอุปนิสัยของพระอาหารหันต์นะถ้าหากละเลยไม่เรียนรู้ตรงนี้ ตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการทำกรรมฐานที่ง่ายๆเลยผมดูง่ายว่าไม่ใช่ตัวเราขนดูง่ายว่าไม่ใช่ตัวเราเล็บดูง่ายว่าไม่ใช่ตัวเราฟันดูง่ายว่าไม่ใช่ตัวเราฟันของเราที่หลุดออกมาเนี่ยเอาใส่ปากคืนไหมไม่เอาเราอ้วกแตกเลยคืนทำใช่ไมเอาไปใส่ในจานข้าวตุนฟักมาอย่างดีหยอดฟันหนึ่งซี่นะไม่ไหวอะ่ะ หรือผมเนี่ยหล่นลงไปในจานข้าวนะบางทีบางคนไม่ยอมกินข้าวจานนั้นเลยงั้นที่ท่านสอนผมก็เล็บฝันหนังแน่นะเพราะว่ามันดูได้ง่ายว่าไม่ใช่ตัวเรานะมันเป็นของถูกรู้ถูกดูคราวนี้เราดูของที่ยากขึ้นมาลองดูมือสิมือลองสัมผัสมือดูมือัแขนเนะี่ยลองสัมผัสดูรู้สึกไหมบางที่เย็นบางที่อุ่นนะบางที่ก็เย็นบางที่ก็อุ่น บางที่ก็นุ่มบางที่ก็แข็งรู้สึกไหมมันไม่เท่ากันหรอกความแข็งมันไม่เท่ากันมือกับ น, นิ้วกับอะไรเงี้ยตรงไหนเย็นๆเนีนยความเย็นมันบอกไหมว่ามันคือตัวเราความร้อนมันบอกไหมว่าเป็นเราความอ่อนความแข็งมันบอกไหมว่าเป็นเราแต่ถ้าเผลอนะมือเราถ้ามีสติอยู่จริงๆลองนวดลงไปสิ เราจะเห็นว่ามือกับแขนเนี่ยเป็นของถูกรู้มือกับแขนเป็นของถูกรู้เรารู้ด้วยอะไรรู้ด้วยการสัมผัสทางร่างกายเนี่ยรู้ถึงความมีอยู่ของมันนะทำไมต้องรู้ได้กายนะเพราะมันเป็นตัววัตถุนะเป็นตัววัตถุเราก็เอาวัตถุไปสัมผัสมันสัมผัสลงไปแล้วเราจะพบว่ามันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ตัวเรานะมันไม่ใช่ตัวเรา เนี่ยค่อยๆดูลงในร่างกายนะเป็นส่วนๆไปจะพว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกความรู้สึกทั้งหลายพอเราดูแยกกายกับจิตได้แล้วเราก็มาดูความสุขทุกข์ความสุขทุกข์ที่เกิดขึ้นในร่างกายไม่ใช่ตัวเราความสุขทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตใจผ่านมาแล้วก็ผ่านไปไม่ใช่ตัวเราจิตเป็นคนรู้หรือว่าถ้าเราขี้โกรธเราก็ดูความโกรธ เกิดขึ้นความโกรธหายไปความโกรธไม่ใช่ตัวเราความโกรธเป็นสิ่งที่ถูกรู้จิตเป็นคนไปรู้เหมือนเขาเนี่คยค่อยๆหัดแยกนะจิตเนี้ยเป็นตัวกุญแจเลยถ้าเราไม่ได้จิตผู้รู้มาเนี่ยเราจะแยกขันไม่ได้แยกขันไม่ได้เราจะไม่สามารถเห็นว่าสภาวะธรรมแต่และตัวในรูปรขันนามขันทั้งหลายนะีไม่ใช่ตัวเราของเราเราจะแยกไม่ออก ถ้าเมื่อไรเราดูทั้งตัวนี้เป็นกลุ่มเป็นก้อนเนะเราจะรู้สึกว่าทั้งตัวนี้เป็นตัวเราแต่พอจับแยกเป็นส่วนๆแล้วความเป็นตัวเราจะหายไปอันนี้เป็นศาสตร์เป็นวิธีการของพระพุทธเจ้านะท่านเรียกว่าวิพัชวิธีวอแหวนสละอีพอสัมภารมหอากาศดับเพินชฉช้างสองตัววิพัฒชาวิธีวิพัฒแปลว่าแยกแยกส่วน ดูแบบการแยกส่วนอย่างเราคิดว่ารถยนต์มีอยู่เนี่ยเรามองรถยนต์ทั้งคันนะรถยนต์ก็มีอยู่แต่ถ้าเราจับถอดออกมาลูกล้อเป็นรถยนต์หรือเปล่าลูกล้อไม่ใช่รถยนต์แต่รถยนต์ต้องมีลูกล้อใช่ไหมพวงมาลัยเป็นรถยนต์ไหมพวงมาลัยก็ไม่ใช่รถยนต์ตัวถังก็ไม่ใช่รถยนต์กันชนก็ไม่ใช่รถยนต์หลอดไฟสายไฟไม่ใช่รถยนต์เครื่องยนต์ก็ไม่ใช่ตัวรถยนต์ แต่รถยนต์มันมีสิ่งเหล่านี้มารวมกันก็เกิดเป็นรถยนต์ขึ้นมาสิ่งที่เรียกว่าตัวเรานี้ก็เหมือนกันนะลองแยกส่วนไปแล้วจะพบว่าแต่ละส่วนแต่ละส่วนไม่ใช่ตัวเราหรอกผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกอะไรตัวนั้ไม่ใช่ตัวเราของเราความรู้สึกสุขทุกข์ก็ไม่ใช่ตัวเราของเราความรู้สึกดีความรู้สึกชั่วโลภโกรธหลงฟุ้งซ่านหดผูกไม่ใช่ตัวเราของเราแล้วดูไปเรื่อยๆนะแล้วอย่ารักษาจิตให้นิ่งให้ว่าง ปล่อยให้จิตมันทํางานเราก็จะพบว่าจิตเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้จิตเดี๋ยวก็เป็นผู้คิดจิตกบเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้ไปดูรูปจิตเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็ไปฟังเสียงเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวเป็นผู้ไปดมกลิ่นเดี๋ยวเป็นผู้รู้เดี๋ยวเป็นผู้ไปรู้รสเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็ไปรู้สัมผัสทางร่างกายเนี่ยจิตมันเกิดดับอยู่ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ พวกดูจิตดูจิตต้องระวังอย่างนะจิตไม่ได้มีดวงเดียวนะจิตไม่ได้มีดวงเดียวจิตเกิดดับอยู่ตลอดเวลาจิตสุขกับจิตทุกข์เนี่ยมันคนละดวงจิตดีกัจิตชั่วกนะวจิตดีกับจิตชั่วก็คนละดวงจิตโลภกับจิตโกรธเนี่ยก็คนละดวงจิตที่ไปดูกับจิตที่ไปฟังจิตที่ไปดมกลิ่นจิตที่ไปริ้มรถจิตที่ไปรู้สัมผัสทางกายจิตที่ไปรู้เรื่องราวทางใจคนละดวงทั้งสิ้น เพาะฉะนนจิตมันเกิดดับตลอดเวลางั้นถ้าเราภาวนาแล้วเราเห็นจิตวิ่งไปดูจิตหลงไปดูนะอย่าไปตกใจแล้วก็ไปดึงจิตคืนมานะบางคนเห็นจิตไหลไปแล้วตกใจไปดึงจิตคืนมานะจะแน่นเต็มหน้าอกเลยอันนั้นหลงผิดแล้วจิตที่ดูนะดวงหนึ่งนะจิตที่รู้ว่าเมื่อกี้หลงไปดูเนี่ยเป็นอีกดวงหนึ่งแล้วเกิดขึ้นใหม่แล้วนะงั้นเนี่ยเราดูอย่างนี้นะเราแยกกาย แยกเวทนาแยกสังขารล้วไปสุดท้ายเราแยกตัวจิตเราจะเห็นนะจิตผู้รู้มันเกิดแล้วมันก็ดับจิตผู้คิดมันเกิดแล้วก็มันก็ดับจิตผู้เพ่งเกิดแล้วมันก็ดับจิตผู้ดูผู้ฟังผู้ลิ้มรสผู้ดมกลิ่นผู้รู้สัมผัสทางกายนะเกิดแล้วก็ดับทั้งสิน้นเนี่ยดูซ้ำๆๆลงไปสุดท้ายปัญญามันจะปิ๊งขึ้นมานะตัวจิตเองเพราะไม่ใช่ตัวเรา เมือนกับที่เราเห็นว่าผมไม่ใช่เราอันนี้แหละแต่ตัวจิตมันเป็นตัวรู้วิธีดูมันต้องชั้นเชิงสูงกว่าการดูกายดูกายมันเห็นอยู่ตนโทุกขไม่ใช่เราหรอกอย่างบางคนเป็นเบาหวานไปตัดขาทิ้งขาไม่ใช่เราเมันตัดทิ้งออกไปแล้วหรือร่างกายทั้งร่างกายเราเห็นคนตายไหมถึงเวลาเอาไปเผานะไม่เห็นมันมาร้องเรียนอะไรเลยนะ ว่าเราละเมิดสิทธิมันเราเอามันไปเผามันก็ยอมให้เราเผาดีๆน ะ, นะมันไม่บ่นนะเพราะมันมีแต่กายร่างกายมันไม่มีเจ้าของมันเป็นวัตถุเป็นสมบัติของโลกจิตที่หลงอะ่ะมันก็เคยคิดว่าร่างกายนี้ของเราคือตัวเราของเราความสุขทุกเป็นตัวเราของเราความดีความชั่วเป็นตัวเราของเราจิตที่เป็นตัวรับรู้เนี่ยเป็นตัวเราของเรา เรามาเฝ้ารู้เฝ้าดูเฝ้าสังเกตไปร่างกายที่หายใจออกเป็นของถูกดูไม่ใช่เราร่างกายที่หายใจเข้าก็ถูกดูไม่ใช่เราร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนก็ถูกดูไม่ใช่เราความสุขความทุกข์ก็ถูกรู้ถูกดูไม่ใช่เราความดีความชั่วก็ถูกรู้ถูกดูไม่ใช่เราจิตเองก็ถูกรู้ถูกดูมีจิตดวงใหม่ไปรู้ทันจิตดวงเก่าที่ดับไปแล้วจิตไม่ได้มีดวงเดียวนะ จิตดวงใหม่ไปรู้ทันจิตดวงเป่าที่ดับไปแล้วเห็นเกิดดับไปเรื่อยจิตเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็สงบเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านหลวงพ่อถึงบอกพวกเราบ่อยๆว่าเราพาวนาไม่ได้มุ่งเอาดีไม่ได้มุ่งเอาสุขไม่ได้มุงมม่งเอาสงบเพราะดีไม่เที่ยงสุข ก, ก็ไม่เที่ยงสงบก็ไม่เที่ยงเราต้องการเห็นความจริงเท่านะั้นพอเราเห็นความจริงแนละกระทั่งจิตก็ไม่ใช่ตัวเรา ทุกสิ่งที่จิตไปรู้มันจะเป็นเราไปได้ยังไงแระทั้งตัวจิตที่เป็นคนรู้ยังไม่ใช่เราซะแล้วเนี่ยถ้าเราเข้ามาที่จิตได้นะหลวงู่มั่นถึงบอกได้จิตคือได้ธรรมเสียจิตไปคือเสียธรรมจิตเนี่ยเป็นตัวมีประโยชน์นะตัวผู้รู้เนี่ยไม่ใช่จิตหลงจิตเลวไหลนะจิตที่หลวงพ่อพูดหมายถึงจิตที่เป็นตัวผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยไม่ใช่ผู้หลงผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่ง เราต้องพยายามพัฒนาจิตของเราให้เป็นผู้รู้วิธีพัฒนาจิตให้เป็นผู้รู้คือทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันเวลาจิตมันหลงไปถ้าเรารู้ว่าจิตหลงจิตรู้จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติอย่างหลวงพ่อเห็นจิตมันหลงคิดเนี้ยพอเห็นจิตหลงคิดปุ๊บความหลงคิดดับจิตรู้ก็เกิดขึ้นนั้นเราไปฝึกนะให้มันมีจิตรู้พอมีจิตรู้แล้วขันมันแยกได้ พอขันแยกได้แล้วอย่าแยากอยู่เฉยๆหรืออย่ามีจิตรู้อยู่เฉยๆนะจิตรู้อยู่เฉยๆก็คือสิ่งที่หลวงปู่ดูลบอกว่าหลวงพ่อทำผิดทาผิดเรามีจิตรู้ล้วก็จไม่ไม่ควบขุมไว้ล้วก็เห็นเดี๋ยวก็เป็นจิตรู้เดี๋ยวก็เป็นจิตคิดเดี๋ยวก็เป็นจิตรู้เดี๋ยวก็เป็นจิตเพ่งนะนี่ดูไปด้วยในท่สุก็เข้าใจกระทั่งตัวจิตเองพวเกิดดับตัวจิตเองก็ไม่ใช่เรา ถ้าจิตไม่ใช่เราขันห้าก็ไม่ใช่เราโลกทั้งโลกก็ไม่ใช่เราเพราะว่าทั้งขันห้าทั้งกายทั้งใจของถูกรู้ทั้งนั้นของถูกรู้ไม่ใช่เราโลกข้างนอกก็ของถูกรู้ไม่ใช่เราตัวจิตเองก็ถูกเ ร, กเรารู้อีกทีถูกจิตดวงใหม่รู้ทันจิตดวงเก่ากะก็เห็นตัวจิตเองก็ถูกรู้ก็ไม่ใช่เราแล้วเราก็บังคับมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้เป็นอนัตตายากไปไหมวันนี้ อุษาเล่าตั้งแต่หลวงพ่อภาวนาะตั้งแต่เด็กๆ เ, เล่าให้ฟังนะพวกเราเดินตามมาแล้วจนถึงจุดซึ่งเราได้ตัวผู้รู้มาหลวงพ่อได้ตัวผู้รู้จากการนั่งสมาธินะจนกระทั่งร่างกายหายเหลือแต่จิตดวงเดียวนั้นตัวผู้รู้ของหลวงพ่อแข็งแรงนะหลวงปู่สิมนะท่านเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้ท่านไม่รู้จักชื่อท่านเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้ผู้รู้นะ นี้พอมาเรียกัหลงปู่ดูลเนเรารู้ว่าถ้าจิตคิดเรารู้ว่าจิตคิดจิตรู้ก็เกิดลักษณะเดียวกันตัวรู้แบบเดียวกันเพียงแต่อายุมันสั้นนะมันมันทรงอยู่ด้วยคณิกะสมาธิอีกอันหนึ่งมันทรงอยู่ด้วยอุปจารสมาธนะิในพวกเราก็ค่อยๆฝึกไปมีจิตรู้แล้วก็ดูกายมันทำงานดูใจมันทำงานไปจนกระทั่งปัญญามันเกิดว่าไม่ใช่เราถ้าเห็นว่าไม่ใช่เราก็จะได้โสาปัตย แล้วถ้าเห็นว่าสิ่งที่มีอยู่คือตัวทุกข์นั่นคือที่สุดแห่งทุกข์จบกิตในพระศาสนาตรงที่เห็นตัวจิตผู้รู้เป็นตัวทุกข์นั่นเลยจะเห็นขันธ์ห้าเป็นตัวทุกข์ก่อนนะเหลือแต่จิตผู้รู้สงวนไว้แล้วพอเห็นจิตผู้รู้เป็นตัวทุกข์ก็ปล่อยวางตัวผู้รู้ตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายที่เราจะปล่อยวางพอปล่อยปุ๊บเนี่ยขันธ์ห้าร่วงไปหมดเลยโลกธาตุก็เด่นออกจากใจเรา เทศมาพอสมควรแล้วนะหลวงพ่อเทศเหมือนกันทุกวันนะคือเทศตั้งแต่ต้นจนจบนะอยู่ที่พวกเรานะยจะสู้ไหมต่อไปส่งกันบ้านกันนวสการครับหลวงพ่อไม่ได้ส่งกันบ้านหลวงพ่อมาประมาณหกปีแล้วครับก็ปัจจุบันสติก็เกิดได้ดีครับแล้วก็สมาธิก็พอมีบ้างแต่ ช่วงหลังๆมานี้จะเห็นจะเห็นหลายๆอย่างเป็นไตรลักษ์ได้เห็นเห็นอะไรนะจะเห็นหลายๆอย่างในชีวิตประจําวันนะคะเป็นไตรลักษ์ได้นั่นแหละดูอย่างนั้นนะสมาธิยังไม่พอจิจยัฟุ้งซ่านอยู่นะสมาธิจําเป็นนะมันคงจําเป็นถ้าใจเราไม่มีสมาธิใจก็ไม่เป็นผู้รู้แต่เป็นผู้คิดแทนแพนั้นพอเห็นไตรลักษ์กลายเป็นคิดไตรลักษ์เนี่ยไม่ใช่วิปัสนา นิพพานาต้องเห็นนะจะเห็นได้จิตต้องตั้งมันเพราะนตัวสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญานะตอนนี้จิตยังฟุ้งซ่านอยู่ดูออกไหมยูออกครับนั่นแหละไปทํากรรมฐานสัอย่างนะแต่อย่าบังคับจิตให้สงบนะทํากรรมฐานสัอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านส่วนใหญ่ไหลไปคิดทํากรรมฐานสัอย่างหนึ่งจิตไหลไปคิดเรารู้ไหลไปคิดเรารู้บ่อยๆแล้วเราจะได้ตัวจิตผู้รู้มา นะแล้วคราวนี้ยเราจะดูลงไปตรงไหนไตรลักษณ์ก็แสดงอยู่ตรงนั้นนะนะดูขั้นห้าไปหลวงพ่อครับมีสภาวะหนึ่งอะครับตอนนั้นพูดดังๆหนมีสภาวะหนึ่งอะครับตอนนั้นขี่อัยานอยู่ออกกําลังอะครับแล้วก็ฟังหลวงพ่อไปด้วยแล้วทีนี้มีท่อนหนึ่งที่หลวงพ่อบอกว่าเกี่ยวกับไตรลักษณ์เนี่ยแหะครับแล้วใจมันสะเทือนขึ้นมานครับอย่างนั้นใจมันเกิดปัญญานะ เวลาธรรมะมันเข้ามาสู่ใจมันสะเถือนนะบางทีเกิดปีติน้ำตาร่วงเลยก็มีนะก็คอยรู้เอาวพวกที่สถเทือนนะก็ยังดีนะบางคนเนะี่ยมันหัวแข็งจริงๆเหมือนใส่หมวกกันน็อกครูบาจารย์บรรเลงธรรมะลงกลางกระบาลเท่าไหร่ก็เฉยนะไม่เข้าไม่แทรกซึมสักนิดเลยนะไอ้อย่างนี้น่าท้อแท้ใจ อย่างนีใจมันยังสะเทือนขึ้นการทม้าขึ้นมาบ้างมันยังพอเอาตัวรอดนะยังพอเอาดีได้อยู่กับกราบธรรมะการครับหลวงพ่อครับปฏิบัติปานประมาณสามสี่ปีนะครับหลวงพ่อส่งการบ้านครั้งแรกครับก็เข้าใจว่าได้ผู้รู้แล้วแต่อย่าทำมาแต่อย่ารักษาผู้รู้นะดูให้เห็นว่าผู้รู้เองก็เกิดดับไม่รักษาตัวเนี้ยรักษาผู้รู้ ยังไม่เลิกดูออกเปล่าดูไม่ค่อยออกขับพ<อ> น, น, บนมันชินยับชินมันชินใช่ชินไม่ดีนะพยายามพิจารณาร่างกายไปดูเป็นส่วนๆผมขนเล็บฟันมังไล่ขึ้นไล่ลงอยู่ในากายนะเป็นการกระตุ้นให้จิตมันเคลื่อนไหวไม่ให้มันนิ่งเป็นตัวผู้รู้นิ่งๆอยู่ งั้ครูบาอาจารย์วัดป่ารุ่นเก่าเนี่ยท่านบอกพุโทโธเราให้มาพิจารณากายท่านพุโทโธจกนกระทั่งนิ่งกันนะแต่ละองค์ว่านิ่งนะแล้วจิตไม่ยอมทํางานจิตก็ไปนิ่งอะไรเงี้ยท่านให้คิดพิจารณากายเป็นการกระตุ้นให้จิตทํางานนะต้องปล่อยอย่าไปยกไว้เคยเห็นยักษ์ไหมยักษ์แบกยักษ์แบกพระเจดียอะไรเงรีนะ้ ท, ท่านเนี้ยของเราก็แบกเหมือนกันเราแบกจิตเอาไว้เงี้ย เนี่ยหลวงพ่อทําจิตให้เท่ากับเราแล้วตอนนี้ยรู้สึกไม้มหน้าตาหลวงพ่อพี่ลึกกว่าตะกีค้ครับคนครับนึกถึงหน้าตัวเองนึกถึงหน้าตัวเองซิหน้าตาเราเก๊กอยู่หรือเปล่าดูซิเห็นไหมตัวผู้รู้เริ่มตายแล้วเริ่มคลายออกแล้วดูออกไหมดูออกครับหลวงพ่อเออนั่นแหละดูหน้าตัวเองไปเรื่อยโกรธขึ้นมาก็หน้าตายนี้ดูรู้ทันนะ หน้าตามันสะท้อนความรู้สึกในใจเราได้เราดูหน้าตัวเองเนยดูด้วยใจนะไม่ต้องเปส่องกระจกนะยิ้มลองยิ้มซิทุกคนยิ้มยิ้มหวานรู้ไหมว่ายิ้มต้องส่องกระจกไหมถึงจะรู้ใส่หน้านะต้องต้องส่องกระจกไหมไม่ต้องรู้ด้วยใจนะเอาอีกแล้วรู้ไหม ครับรู้ครับ <laughs> เผยแล้วครับหลวงพ่อครับ <laughs> นั่นแหละไปหัดอย่างนี้แหละต้องแก้ตัวนี้ก่อนขอบพระคุณครับอา้าวต่อไปกราบนมัส ก, การเจ้าเออรู้ภาวนาแล้วก็เจริญสติตามแนวที่หลวงพ่อสอนเป็นเวลาประมาณเกือบสองปีแล้วอืครนี้มีสภาวะอันหนึ่งนะคะแต่ขณะอาบน้ําอยู่เนี่ยมันมีความรู้สึกว่า จิตใจเนี่ยมันเบิกบานมาก ม, มันไม่เคยเป็นมาก่อนอก็เลยไม่ทราบ ว, ว่าสภาวะนี้จิตปรุงแต่งหรือเปล่านะเจ้าค่ะไม่ไม่ต้องห่วงนะมันปรุงดีจิตมันมีสมาธิขึ้นมามันก็เบิกบานขึ้นมาไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกภาวนาไปบางทีก็มีความสุขผุดขึ้นมาแล้วก็ดูความสุขนั้นเกิดดับ ทุกอย่างที่เกิดดับทั้งสิ้นดูไปอย่างนี้เรื่อยๆ <Okay. S 1> เราอย่าไปสาคัญมั่นหมายว่ามันคืออะไรมันคืออะไรอันเนี้ยมันหลอกให้เราฟุง้งซ่าน <Okay. S 1> เราแค่รู้เท่าทันว่าจิตเบิกบานหรือว่าเบิกบานจิตหายเบิกบานแล้วรู้ว่าหายแล้วดูไปเรื่อยๆ <Okay. S 1> ไม่ใช่จิตยิ้มนะาตัวนี้ <Okay. S 1> ไม่ใช่หรอกเพราะว่าความเป็นเรายัางอยู่รู้สึกไหมมันยังมีเราอยู่หลวงพ่อคะนะ การดูความเป็นตัวเราเวลาที่เผลอที่หลวงพ่อเคยเคยบอกนะฮะดูดูตัวอย่างในการดูนี่ดูยังไงอาจารย์ภาเวลามีอารมณ์แรงๆนะนะอย่างเช่นเวลาโกรธมากๆกเนะี่ยกำลังลืมตัวนะ น, นะอา จ, จะดา่ามึงแน่ซะแค่ไหนวะนั่นอย่างนงี้นะมันมีมึงปุ๊บมันมีกูทันทีอะอย่างเงี้ยมันดูง่ายถ้าอารมณ์แรงอะมันดูง่ายถ้าอารมณ์ละเอียดดูยาก งั้นเวลาเราจะทดสอบความก้าวหน้าในการปฏิบัติเราเนี่ยเราทดสอบด้วยกิเลสนะงั้นอย่างในตําราเนี่ยเพื่อพูดถึงยานตัวที่สิบหยานตัวที่สิบหกเนี่ยเกิดจากหลังมรรคญาณผลญาณตัวที่สิบคือปัจเจกขนายานเป็นปัญญาที่เข้าไปตรวจสอบว่ากิเลสอะไรล้าแล้วกิเลสอะไรยังเหลืออยู่ กิเลสตัวไหนละแบบถาบอกิเลสตัวไหนละชั่วคราวด้วยสติด้วยสมาธิด้วยปัญญาไม่ใช่ละด้วยมักเนี่ยมันจะไปสำรวจที่ตัวกิเลสแล้วกิเลสเนี่ยจะแสดงตัวตอนที่จิตใจของเราเป็นคนปกติบางคนนะบอกว่าเนี่ยผมได้ธรรมะชั้นสูงแนละ้วดูมาตั้งหลายเดือนแล้วไม่มีกิเลสเลยทำไมไม่มีกิเลสเลยเพราะจิตไม่ปกติจิตไปทรงสมาธิอยู่ตลอดเวลา ไปท่งอย่างเงี้ยคนด่าก็เฉยคนชมก็เฉยเหมือนไม่มีกิเลสนะเพราะกิเลสมันทำงานไม่ได้สมาธิมันข่มเอาไว้สังเกตออกไหมว่าเรายังมีตัวเราก็พยายามสังเกตอยู่เจ้าค่ะสังเกตไหมเวลาคิดเวลาอะไรเงี้ยมันมีเราคิดนะค่อยๆดูไป ไอ้อตรงนั้นจิตดีนะที่มันเบิกบานขึ้นมาจิตมันมีสมาธิมันก็เบิกบานให้ดูสังเกตไหมมันเบิกบานได้เองสังเกตเจ้าค่ะมันกาลังสอนอนัตตาให้เราดูสังเกตไหมมันอยู่ได้ชั่วคราวแล้วมันก็หายไปนั่นแหละมันสอนอนิจจังให้เราดูเนี่ยสิ่งที่มีประโยชน์ก็คือการเห็นไตรลักษณ์อย่าไปสำคัญมั่นหมายว่าเป็นนั่นเป็นนี่ มาในยุค ข, ของเราเนี่ยไม่มีพระพุทธเจ้าที่ดำรงพระชนอยู่นะเรามีแต่ธรรมะธรรมวิไนงั่นเราอาศัยธรรมะมาตรวจสอบสมัยพุทธกาลนะถ้าสงสัยว่าใครเป็นพระอริยบุคคลมันก็ไปถามพระพุทธเจ้าพุทธเจ้ารับรองยุคนี้ไม่มีใครรับรองได้นะพุทธเจ้าไม่ได้แต่งตั้งให้ใครรับรองแทนงั้นเราสารวจดวยธรรมะ เวลาที่เราบอกว่าเราบรรลุมรรคผลแล้วเนี่ยกิเลสอะไรของเรายังมีกิเลสอะไรหมดไปแล้วแล้วกิเลส ท, ที่หายไปน่หายไปเพราะสมาธิหรือเปล่าถ้าไปเพ่งเอาไวน้นะกิเลสไม่โป่แล้วบอกว่ามีสมาธิไม่ใช่หรอกนะกราบนมัสการเจ้าค่ะหลวงพ่อเคยบอกว่าปฏิบัติผิดมาตลอดให้ลกของเก่าออก แล้วตอนเนี้ไม่ทราบว่าวมาถูกทางหรือยังคะมาถูกแล้วล่ะน่ะดีขึ้นแล้วรู้สึกไหมค่ะใจมันโปร่งโล่งเบาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาแล้วน ะ, ะแต่นิสัยช่างคิดนะมันไม่หายง่ายหรอกนะค่ะให้รู้ทันเวลามันคิดน้นคิดนี่นะรู้ทันว่าจิตฟุ้งซ่านมันจะคิดธรรมะไปเรื่อยๆก็ อ, อกําลังฟุ้งซ่านอยู่เล่นมันอย่างนี้เลยนะ ภาวนามาได้ดีขึ้นเยอะเลยนะอย่างเมื่อกี้ใจมันสงสัยแปบบ๊บใจมันอยากพูดแป๊บเนี้ยเราก็เห็นมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับไปนะไปฝึอกอีกฝึกมาได้ดีแล้วลวข อ, ขอกันบ้านต่อได้ไหมคะ <c oughs> ขื อ, ขอกันบ้านต่อได้ไหมคะให้เลยแล้วเอา่ <c oughs> ไปทำซิขอบคุณค่ะ เทศเห็นเสียงแหบเสียงแห้งแล้วนะนะกันบ้านทั้งนั้นแหละต้องดำตัวอะไรหัวล้อเห็นไหมอย่ามาทาเป็นเห็นเลยมาเห็นตอนบอกนี่แหละไอตอนไม่เห็นอะ่ะครับกลับนวัสการหลวงพ่อนะครับผมปฏิบัติเป็นรูปแบบมาตลอดในช่วงตั้งแต่กุมพามาครับตอนนี้หาเครื่องอยู่สําหรับการนั่งสมาธิได้แล้วครับแต่ว่าเครื่องอยู่กสาหรับการเจริญสตินิง หาไม่ได้เลยครับพี่ว่าในชีวิตประจำวันสมาธิใช้อะไรใช้ใช้อน า, นาพนสสิตทาให้ดูซิทาให้ดูซิบับงคับจิตอยู่รู้ไหมอย่าบังคับนะอย่าเาริ่มต้นด้วยการบังคับจิตพุทโธไปด้วยจิตปกตินี่นแหละแล้วมันสงบเองอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยนะเครื่องอยู่ที่ดีที่สุดนะที่ดูง่ายเลยคือจิต ในชีวิตประจำวันเนี่ยต่างกับการทำในรูปแบบเวลาเราทำในรูปแบบเนี่ยอยายตนะที่เราใช้ในเหลือแต่กายกับใจนะแต่ตอนมาอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยเราใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจมีั้งหกช่องทางหกช่องทางเราจะไปดูทั้งหกช่องทางเนี่ยทำไม่ได้ทำไม่ไหวะเหนื่อยดูช่องเดียวคือช่องใจนะนั้นตาเห็นรูปจิตเกิดสุขทุกข์ เกิดกุศลนัก hmm. กุศลรู mm ้อ hmm. ยู่ที่จิตหูได้ยินเสียงจิตเกิดสุขทุกเกิดกุศลนักกุศลรู้ว่ามีนะมีสุขมีทุกมีกุศลนกุศลอย่าเพ่งอยู่ที่จิตนะต้องปล่อยให้ได้อย่าติดเพ่งอยู่หน่อยๆนะต้องปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติให้จิตเนี่ยมเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้เป็นธรรมชาติพอจิตเราเคลื่อนไหวได้เป็นธรรมชาติแล้วเนี่ยอยู่ในชีวิตประจําวันเนี่ยเราจะภาวนาได้อย่างสบายเลย ตามองเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้ น, นกระทบรสเนีย้ยจิตยินดีจิตยินลายจิตสุขจิตทุกขจิตดีจิตชั่วรู้ความเปลี่ยนแปลงที่จิตดูอยู่ที่เดียวนะอันนี้คือธรรมะที่เนนที่เป็นพระอราหันต์สอนพระโพธิละพระโพธิละไปเรียนกับเนนแล้วเนนก็สอนกรรมฐานให้เนนบอกว่ามีจอมปลวกอยู่อันหนึ่งเป็นจอมปลวกเก่าไม่มีปลวกแล้ว เฮี้ยตัวหนึ่งเนี่ยมันขุดเข้าไปอยู่ข้างในจอมปลวกแล้วมันขุดรูสำรองไว้เข้าออกได้หกช่องนะเนนบอกพระโพธิละบอกถ้าอยากจับเฮี้ยให้ได้นะปิดไว้ห้าช่องแล้วเฝ้าอยู่ช่องเดียวนะเนจะพูดต่อพระโพธิละบอกเข้าใจแล้วไม่ต้องพูดละเข้าใจแล้วคือรู้ทันใจของตัวเองไปงินตาหูจมูกลิ้นแก่ใจกระทบให้มันกระทบนะ คำว่าปิดของเนนเนี่ยเดี๋ยวพวกเรากลายเป็นว่าเราไม่ดูไม่ฟังไม่ดมกลิ่นนะมีตาก็ดูมีหูก็ฟังมีจมูกก็ดมกลิ่นมีลิ้นก็รู้รสมีกายก็รู้สัมผัสมีใจก็คิดแต่พอทํางานในหกช่องนี้แล้วจิตเกิดสุข ร, รู้ทันเกิดทุกรูร้ทันเกิดกุศลอกุศลรู้ทันไปอยู่ในชีวิตจริงดูที่จิตอันเดียวนี่เองแล้วพอเราชํานาญขึ้นจริงๆนะหลวงพ่อตอนหลังๆนะภาวนา ตอนมาบวชแล้วหลวงพอเหลือนิดเดียวกันพอนางหลวงพ่อจิตขยับจิตเคลื่อนแล้รู้จิตเคลื่อนแล้รู้ไม่เคลื่อนไปไกลหรอกจิตขยับคลิกกริกกริกงเห็นแล้วนะแต่ถ้าหลวงพ่อเพ่งอยู่ที่จิตเนี่ยไม่ขยับแล้วจะอยู่เฉยเฉยใช้ไม่ได้นะงั้นเราอย่าไปเพ่งที่จิตนะยังเพ่งอยู่ถ้าเพ่งอยู่แล้วมันจะเฉยเฉยไม่ค่อยมีกิเลสหรอกเอาต่อไป ก, การนมัสการครับหลวงพ่อผมส่งกันบ้านครั้งที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าจิตไม่ถึงฐานยังมีติดเพ่ง อ, อยู่ขอเห็นความเปลี่ยนแปลงไหมเห็นครับดีขึ้นเยอะเลยนะดีขึ้นเยอะเลยจิตมันเริ่มกระดุกกระดิกได้แล้วดูออกไหมดูออกครับเออถ้าจิตไม่กระดุกกระดิกแล้วไปภาวนาไ ม, ม่ขึ้นหรอกมันกระดุกกระดิกแ ต, แต่เราเป็นคนดูสบายสบาย ใช้ได้กไปภาวนาต่ อ, อดูกาย<อ>ดูใจทํางานนะถึงเวลาทําสมถะทําในรูปแบบสมถะจําเป็นถ้าไม่มีสมถะเลยถึงจุดหนึ่งภาวนาไม่ไหวจเจริญปัญญารวดเดียวไม่ได้ของโยมาถ้าจเจริญปัญญารวดเดียวจะฟุ้งสั้นต้องกลับมาทําสมาธิด้วยอย่ากลัวว่าจะติดเพ่งเรารู้จักแล้วว่าเพ่งเป็นไงมันไม่ติดหรอก พวกที่ติดเพ่งเพราะมันไม่รู้จักว่าเพ่งเป็นยังไงถ้ารู้แล้วไม่ติดกลาบขอบคุณต่อไปออดีอนุโมทนาภาวนาดีขึ้นเยอะเลยกลับมาวัจการหลงพ่อค่ะไม่ได้ส่งทันบ้านมาหปีแล้วค่ะปกตินี่ก็จะสวดมนต์ก่อนนอนนะคะแล้วก็ดูสติลงชีวิตประจำวัน ม, มีเรื่องเรียนกลาบขอคำแนะนำเพราะว่า เ, าเวลาเวทนามากระทบกายแรงๆเนะะี่ยค่ะ ประสบด้วยตัวเองแล้วทราบว่าเอาไม่อยู่แต่ถ้าเป็นเวทนาไม่แรง mm hmm. เช่นการทําฟันการบริจาคโลหิตเนี่ยพอเอาอยู่ mm hmm. มีล่าสุดก็คือต้องทํเอ็มาร์ไแล้วก็ mm hmm. พอเครื่องฉีดตอนเจาะเข้าไปไม่ก็สามารถแยกได้แต่พอตอนเครื่องฉีดสีเข้าไปแล้วสีมันไม่แตกในตัวหลอดหลอดเลือดแตกในตัว mm hmm. หลังจากนั้นก็เอาไม่อยู่แล้ว mm hmm. แล้ววันนั้นก็ต้องทําอีกก็ ก็ไม่สามารถไม่สามารถทําได้ก็เลยอยากจะกราบเรียนท่านว่าออขอคาแนะนำท่านว่าถ้าเวทนามากระทบแรงขนาดนี้เนี่ยควรจะต้องทํำยังไงคะบริกรรมไปเลยตายแน่ตายแน่ตายแน่แ น, นะใจเป็นคนดูไปนะเวทนาแรงไปทิ้นรนมันก็ไม่หายเนะี่ยโปรงตกไปเลยบริกรรมไปตายแน่ตายแน่ไปนะเราไม่ตายอ่ะวันนั้นก็ก็ทําอย่างนั้นนะคะก็รู้สึกว่า ถ้าจะเป็นอะไรก็เป็นคือพอยายามจะทิ้งออต่ว่าต้องอย่างนั้นอนะ่ ะ, ะ<ต>เวลาชวนตัวจริงๆะยอมตายเลยถ้ายอมตายนะใจสบายใจไม่ดิ้นรนร่างกายมันเจ็บเรื่องของกายนะนักปฏิบัติไม่ใช่ว่าร่างกายไม่เจ็บนะร่างกายก็เจ็บเหมือนกับคนธรรมดานี่แหละแต่ไม่ไม่ทุกร้อนทางใจเท่านั้นเองแล้วอีกคำถามเดียวค่ะปกติแล้วพอตอน ตื่นเช้าตื่นแรกเนี่ยเราก็จะพยายามดูเราก็จะเห็นเลยทันทีว่าทันทีที่ตื่นก็ฟุ้งซ่านเลยอืมดีแล้วก็แล้วก็รู้สึกราคาญตัวเองเพราะว่ารู้สึกว่าทำไมมันฟุ้งจังตื่นแล้วก็ฟุ้งตื่นแล้วก็ฟุ้งทุกวินทีุทัจักกุกุตจะชอบอยู่คู่กันฟุ้งซ่านราคาญใจใครๆก็เป็นอย่างนั้นแหละถ้าฟุ้งซ่านเราก็ราคาญใจแล้วต้องทำยังไงต่อคะหมอไม่ได้ ยังไม่เข้าใจหลักของการปฏิบัตินะเวทนามีอยู่ก็สักแต่ว่าเวทนาไม่ใช่จิตนะเราเป็นคนดูไม่เกี่ยวกันไม่ได้ปฏิบัติเพื่อให้หายจากเวทนานะฟุงซ่านมีอยู่รู้ว่าจิตฟุงซ่านไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อให้หายฟุงซ่านแต่ปฏิบัติเพื่อจะรู้อย่างที่มันเป็นอย่างร่างกายเจ็บปวดรู้ว่าร่างกายเจ็บปวด รู้ได้ใจที่เป็นกลางจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านรู้ได้จิตใจที่เป็นกลางเพราั้นเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อไปแก้้สิ่งที่ไม่ดีนะเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อสร้างสิ่งที่ดีแต่ปฏิบัติเพื่อให้เห็นความจรงิงว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ตัวเราของเรานะเวทนาจะเกิดห้ามมันไม่ได้มันไม่ใช่ตัวเราของเราเราสั่งมันไม่ได้เนี่ยปฏิบัติเพื่อให้ใจยอมรับตรงนี้ ถ้าใจยอมรับความจริงแล้วใจจะไม่ดิ้นรนใจไม่ดิ้นรนใจจะไม่ทุกขนะ์ถ้าใจยอมรับความจริงไม่ได้ใจจะดินนด้นรนใจดิ้นรนแล้วใจจะทุกข์งนะั้นที่เราภาวนาเนี่ยไม่ใช่เพื่อทำเอมาแล้วไม่เจ็บไม่ใช่เจ็บเหมือนคนอื่นแหละนะแต่ใจเนี่ยสบายนะขอบคุณครับกล่าวาสการครับหลวงพ่อตื่นเต้นรู้สึกไหม เพ่งอยู่รู้สึกไหมครับเออตื่นเต้นก็รู้เพ่งอยู่ก็รู้ก็ดีแล้วล่ะครับจิตออกนอกรู้ไหมเออรู้แล้วก็ดีแล้วจะถามอะไรอะไรอะไรก็รู้หมดแล้วเนี่ยก็เนี่ยตอนนี้ประคองอยู่ก็รู้เอานะจะให้นุ่มพ่อแนะนําการปฏิบัติครับว่าผมต้องทำยังไงครับ ว่าผมต้องปฏิบัติแบบไหนครับปฏิบัติเนี่อย่างนี้แหละทำยาถูกแล้วละทุกวันแบ่งเวลาทำในรูปแบบนะทำแล้วจิตจะได้มีพลังรู้สึกไหมจิตเรามีแรงจิตมันมีพลังนะแต่มันยังไม่พอค่อยๆฝึกไปตอนที่หลวงพ่อชมมันพรืมใจแล้วไม่ขาดสติดูออกไหม <laughs> <c oughs> คอยรู้ว่าใช้ได้ที่ฝึกมาที่จริงที่ฝึกมานใช้ได้ทุกคนน ะ, นะดีทุกคนเลยตั้งแต่คนได้ไปก็พัฒนากันทุกคนนะกราบน้มาสการหลวงพ่อค่ะตื่นเต้นเนาตื่นเต้นเนยเป็นเรื่องปกติวันนี้ส่งการยกม า, าอย่างเงี้ยส่งการบ้านคร<ก>ั้งแรกค่ะ อยากกาบเรียนถามหลวงพ่อว่าการฟังธรรมะเปิดธรรมะฟังเปิดบทสวดฟังแทนการนั่งสวดมนต์ปฏิบัติในรูปแบบส่งผลเหมือนกันไหมคะฟังสวดมนต์ฟังเทศนะถ้าฟังแล้วใจสงบนะไม่วอกแวกมันก็ได้สมาธิ เเปิดไปเรื่อยๆแล้วใจหนีไปก็ไม่ได้อะไรเปลืองค่าไฟเปล่าๆนะแล้วสภาวะจิตของลูกตอนนี้ตอนนี้เหรอตอนนี้นิ่งเกินไปรู้สึกไหมมันนิ่งกว่าความเป็นจริงนะเราให้มันเคลื่อนไหวตามความเป็นจริงแต่ใครมาเจอหลวงพ่อตัวแข็งหมดทุกคนแหละเป็นธรรมชาติแต่ปฏิบัติถูกทางอยู่ใช่หยใช้ได้อยู่<ะ>แต่ขณะนี้จิตไม่เข้าฐานดอไหม จิตไปกว้างๆสบายเพลินๆ อ, อยู่ข้างนอกต้องระวังนะนิสัยเรามันจะเอือดระเหยเพลินล น, ลนไปง่ายพยายามย้อนเข้ามาดูในร่างกายจะเห็นว่นมีแต่ทุกขนะ์ค่อยๆดูไปในกายนี่มีแต่ตัวทุกข์อย่าหนีนะของโยมถ้าดู ก, กายแล้วจะเห็นทุกข์ได้เร็วมากเลยเจ้าค่ะนะจะได้ดีดู ก, กายไปสาธุเจ้าค่ะ กลับมกลับลงพ่อครับก็ือ ม, มันม่จดย์มาเยอะนั่งเหมันเดี๋ยวลืมครับก็บคือมันจะเป็นสาภาวะที่แบบว่าบีบขันกลางหน้าอกแต่ทีนี้มันไม่ใช่บีบเพราะโดนกระทบมันเป็นเพราะว่าเราเราเดินดูจิตอยู่างเงี้ยแล้วมันโดนบีบขันกลางหน้าอกโดยที่ว่าเรามีผู้รู้อยู่แล้วทีเนี้ยเหมือนดูไปดูมาเหมือนอีอล่างกายนี่มันจะตายหรือมันจะตายไหมครับตายแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ ก็คือเอามายถึงตอนสภาวะที่มันเจออยู่ครับคือถ้าอย่างเราโกรธแล้วมันบีบขานอันนี้ยเรารู้แต่มันมีการบีบขานอีกแบบหนึ่งที่เราไม่รู้ว่ามันโกรธหรือว่ามันหลงหรือว่ามันอะไรแต่ทีเนี้ยมีใจเป็นเป็นคนรู้อยู่เออมีใจเป็นคนรู้ไปค่อยๆแยกไปนะร่างกายส่วนหนึ่งความเจ็บปวดเป็นส่วนหนึ่งจิตเป็นส่วนหนึ่งแต่ถ้ามันเจ็บปวดแบบประหลาดไม่มีสาเหตุนะบางทีเป็นพลังภายนอกแทรกเข้ามาก็มี คิดถึงตัวนี้หรือเปล่าคิดครับนั่นแหละนะถ้าเรารู้สึกว่ามีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาเนี่ยเราก็คิดถึงพระพุทธเจ้าไวนะ้ฝากเป็นฝากตายอยู่กับพระพุทธเจ้าสวดมนต์ไปพุโทโธอิติปิโสภะคะวาเลยสวดไปนะให้ใจเรามีสมาธิอย่า ก, กลัวอย่าไปกลัวมันถ้ากลัวมันมันยิ่งมานะครับพลังงานที่ชั่วร้ายเนี่ยเต็มไปหมดนะ เหมือนคลื่นวิตถอยูวิ่งไปวิ่งมาบาทีเรามีวิบากมีกรรมเก่าเราก็ไปสัมผัสมาสัมผัสมาเนี่ยไม่ใช่เป็นโมโหมันหรือร ไ, ไม่ต้องไปกลัวมันด้วยนะทำใจให้สบายถ้าจิตมีสมาธิมันจะกระเด็นออกไปเองนะกระเด็นไปโดนคนข้างๆอ่ะนะนะมันจะออกไปเองแหละอ๋อครับแล้วก็อีกคำถามห <c oughs> นึ่งครับ กามรมาาคากับรูปประลาคานี่มันเวล า, าอะไรนะกามรมาลาคากับรูปออประลาคานี่ยครับมันต่างกันยังไงแยกยังไงครับ <laughs> การาลาเนี่ยมันเป็นความติดอกติดใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางร่างกายนะตัวรูปประลาคาไม่ใช่ติดใจในตัวรูปเนี่ยมันติดใจในรู ป, ปรธรรมนะเช่นชอบบรรยากาศที่สงบสันติไม่ได้ยั่วคามนะ ชอบอย่างบรรยากาศชอบภูเขาชอบแม่น้ำชอบป่าที่เงียบๆอะไรเงีย้ยาบางองค์บางท่านชอบอยู่ในถ้ำ ย, ยินดีพอใจอยู่ในสภาพอย่างเนี้ยตัวเนี้ยเป็นตัวรูปครับสุดท้ายนะครับเสียงเพลงที่มันอยู่ในหัวนี่เรามองในมุมอ น, นัตตาได้ไหมครับมองไปเลยนะมองในมุมที่มันเป็นอ น, นัตตาคือมันร้องขึ้มนมาเองมันร้องของมันเอง คือแต่ก่อนที่เคยส่งกันบ้านหลวงพอ่อนี่มันลาคาญเพลงอะไรเงี้ยมันร้องซ้ําๆเดี๋ยวนี้ใจไม่ลาคาญเสียงแต่ก็ก็เลยสงสัยว่ามันมองได้ใช่ไหมได้ดูไปมันร้องได้เองครับนะมันร้องเองไม่ใช่เราร้องดูไปได้ได้ครับขอบคุณครับอเพลงที่ร้องในใจเนี่ยนะมันมีความเจ็บแสบเจ็บปวดอยู่เรื่องหนึ่งนะมันชอบร้องอยู่ประโยคเดียวะแล้วร้องสั้นๆซ้ํา ๆ, ๆอยู่งั้นอะนะ ฟังแล้วราําคาญหลวงพ่อพื้นจิตหลวงพ่อนะเป็นพวกโทสะจริตพอมันร้องเพลงซ้ำๆนะ้โมโหอันนะแต่พอโมโหมันนะพยายามพุโทโธพุโทโธไม่หายอนะ่ะแต่หลังช่างมึงเห็นไหมสไตล์หลวงพ่อมต้องถึงมึงถึงกูนะช่างคุณเถอะไม่ใช่อันนี้ตัวปลอมช่างมึงมึงอยากร้องก็เรื่องของมึงนะมันเลิกเลย เพราะมันหลอกเราให้เกิดกิเลสไม่ได้นะอา้าวต่อไป ก, ก, การทำพิธการทางวัฒนรของพอครับก็คือส่งกบั้นครั้งแรกนะครับพูดให้ดังนิดนะับส่งกบ้้นครั้งแรกครับแล้วก็ปฏิบัติมาสักพักหนึ่งครับแล้วก็ทีนี้เวลาขับรถหรือว่าเวลาทาอะไรชีวิตประจาวันก็พอจะรู้สึกตัวบ้างครับแต่ว่าบางทีเวลาสวดมนต์หรือ ทำสิ่งดีๆฟังธรรมะอะไรเงี้ยบางทีจิตมันชอบหนีเข้าไปอยู่กับความพอติดกับความว่างหรือความสุขอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็บางทีจะบางบางทีรู้สึกตัวหรือโดนอะไรมากระทบรู้สึกตัวบางทีมันจะหนีทุกข์ครับเหมือนจิตจะหนีทุกข์แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเวลาปฏิบัติในรูปแบบปฏิบัติสักพักเนี่ยมันเหมือนจะเด้งออกมาจากสมาธิอยู่บ่อยๆครับผม <c oughs> ใช้ได้นะที่ปฏิบัติ ดูอย่างที่มันเป็นไม่ใช่ดูดอย่างที่อยากให้มันเป็นมันเป็นยังไงก็รู้มันเด้งออกมาก็รู้มันเข้าไปก็รู้ดูแบบคนไม่มีส่วนได้เสียสงบก็รู้ฟุ้งซ่านก็รู้ดีก็รู้ชั่วก็รู้ที่คุณฝึกอยู่ใช้ได้นะแต่ว่าเพิ่มการทำในรูปแบบทำความสงบเป็นระยะระยะไปทำทุกวันที่ฝึกอยู่ใช้ได้เลยลการเดินปัญญาเนี่ยคล่องตัวและ้ะ คลองอะไรเกิดขึ้นมันรู้มันเห็นได้หมดแะ้แต่สมาธิยังไม่พอขาดไปนิดนึงนเพิ่มสมถะขึ้นแต่อย่าบังคับจิตให้นิ่งนะวิธีทำสมถาก็คือใช้จิตของเราตอนนี้แหละไม่ได้ไปบีบมันไม่ได้ไปเค้นมันใช้จิตธรรมดาเนี่ยแล้วทำกรรมฐานไปนอยู่กับลมหายใจอยู่กับพูดโทอยู่กับคาบริกรรมอะไรก็ได้เราไม่ขยับจิต หลวงพ่อนะภาวนาแต่เดิมจิตมันก็เล็กๆอย่างพวกเรานะตอนมันจิตมันใหญ่ๆขึ้นนะตอนที่จิตเล็กๆมันรวมเราเห็นมันรวมรวๆพอมันโตๆมไม่รู้จะไปรวมตรงไหนนะมันก็อย่าไปเค้นมันอย่าไปบังคับมันมันเป็นยังไงก็ช่างมันนะแค่มีสติระลึกรู้อยู่ในอารมณ์มันเดียวจิตก็ได้พักละต่อไปนิมมัสการค่ะหลวงพ่อปฏิบัติตาม แนวทางของหลวงพ่อมาหลายปีนะคะแล้วก็มีพัฒนาการตามลําดับ<ๆ>ก็คือตั้งแต่แยกธาตุแยกขันแต่ไม่เดินปัญญาแล้วก็เดินปัญญาเห็นไตรลักษณ์ระยะหลังเนี่ยก็เกิดสติอัตโนมัติได้บ่อยแล้วก็สามารถเอาตัวรอดจากเหตุการณ์เท่าที่จําได้สําคัญสําคัญใน3เหตุก็คือมีอุบัติเหตุรถยนต์แล้วก็เห็นภาพสโลโมชันนะ<ม>แล้วก็เป็นการช่วยหมาที่รักๆเหมือนลูก ให้ผ่านพ้นวิกฤตไปแล้วก็รอดเพราะว่ามันเห็นเป็ น, เ ป, นเป็นช้าๆเราก็เลยไปช่วยเขาทันใช่มันจะช้าเป็นช็อตๆใช่ค่ะแล้วก็อีก ท, ที่จริงมันไม่ได้ช้าหรอกนะแต่สติเราเร็วมันก็เลยแยกออกมาเป็นช็อตๆมันมันไม่ตกใจ ว, กวี่งว่ายกระตุ้วนะแล้วเรามันจะใช้สติใช้ปัญญาแก้ปัญหาได้ค่ะแล้วก็มีอีกสองครั้งคือเกิดไฟลุกขึ้นขณะ ที่ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าลุกอยู่กับกับมือก็จะเกิดสติตกใจอยู่แค่ไม่ขีดไม่ไม่นับเป็นเสียววินาทีะคะ่ะแล้วก็จิตจะตื่นตื่นแล้วก็ดับดับไฟปิดเครื่องไฟฟ้าได้ทันแล้วก็โยนไฟนั้นไปในที่ที่เป็นที่ว่างไม่ติดไฟอื่นได้สองครั้ง ด, ด้วยกันแล้วคราวนี้ก็ก็ก็จะอยู่ในรูปเนี้ยมาหลายปีนะคะ่ะไม่พัฒนาขึ้นแต่มาสองเดือนเนี้ย่ะ ที่หนูมีความรู้สึกว่าพัฒนาก็คือช่วงที่รู้สึกตัวตอนกลางดึกบางทีตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกตัวเองเนี่ยจะเห็นร่างกายเนี่ยไม่ใช่เราโดยเห็นขาเนี่ยเป็นท่อนแขนเนี่ยเป็นท่อนก็ตอนแรกคนนี้รู้สึกไปเองหรือเปล่าพอคืนถั ด, ถดมาก็จะพบอีกแต่มักจะเกิดขึ้นตอนรู้สึกตัวกลางดึกเท่านั้นตอนระหว่างวันเนี่ย ทำไมทําไมมันเกิดตอนตื่นขึ้นใหม่ให่แล้วมตอนนั้นเรายังไม่มีมารยาของนักปฏิบัติเรายังไม่ได้วางฟอร์มมันก็ด้เห็นตามธรรมชาติธรรมดานะต่ตอนเราตื่นขึ้นมาเต็มที่แล้วว่าเราเป็นนักปฏิบัติเราจะต้องอย่า ง, งานั้นต้องอย่างนี้อะไรเงี้ยนะมันจะไม่เกิดตัญญา จ, จริงแล้ว งั้นหลวงพ่อถึงเคยสอนบ่อยๆเพราะว่าช่วงที่ตื่นนอนใหม่ๆเป็นนาทีทองของการปฏิบัติเพราะตอนนั้นใจของเราเป็นธรรมชาติจริงๆเราไม่รู้สึกไหมตอนนั้นเราไม่ได้ตั้งท่าเป็นนักปฏิบัติถ้าเราตั้งท่ารวบพม่าอย่างเงี้ยมันจะไม่เดินปัญญานะมันจะรู้ตัวเฉยๆอยู่เงี้ยใจจะทื่อๆเฉยๆงั้นเราทําไมใจเป็นอย่างนี้ทื่อๆเฉยๆเพราะเราอยากให้มันดีเราอยากปฏิบัติ ให้เรารู้ทันใจที่อยากดีอ่นะพอเรารู้ทันใจที่อยากดีความอยากดีดับการจงใจบังคับควบคุมกายควบคุมใจก็จะหมดไปร่างกายก็จะเคลื่อนไหวตามธรรมชาติจิตใจก็จะเคลื่อนไหวตามธรรมชาติแล้วเราก็จะเห็นความจริงของมันว่า ม, มันไม่ใช่เรานะ แล้วก็หลังๆพอช่วงไม่กี่อาทิตย์หลังเนี่ยเริ่มเห็นว่ากายไม่ใช่เราในตอนช่วงกลางวันร่วมด้วยนะมันพัฒนาขึ้นแล้วในในหลายครั้งต่อวันนะคะก็เห็นเห็นกายเป็นท่อนหรือเป็นอะไรที่เคลื่อนไหวอยู่เราเห็นความรู้สึกสุขทุกข์ไม่ใช่เราไหมเห็นค่ะนั่นแหละดีเห็นไหมโกรธก็ไม่ใช่เราเห็นค่ะนั่นแหลเวทนานี่เห็นเห็นเห็นมาก่อนนะแต่ว่าเห็นกายไม่ใช่เราเนี่ยเพิ่งเห็นไม่ทันเต่อไปนี้สังเกตที่จิตนะ เราไล่ามาหมดแล้วกายเวทนาสังขารรูปเวทนาสังขารมาถึงตัวจิตสังเกตตัวจิตไปจิตเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นผู้เพ่งบางทีก็เป็นผู้หลงหลงไปคิดพอรู้ทันว่าหลงไปคิดก็เป็นผู้รู้เสร็จแล้วเรากลัวว่าจะหลงอีกเราก็เลยไปเป็นผู้เพ่งเอาไว้เราะฉั้นมันจะเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา เดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้เพง่งดูสลับกันไปหนูมีคําถามนึ่นงอะพอมาค้นหาว่าระหว่างเราคืออะไรกจิตคืออะไรหนูพบว่าจิตกับเราเป็นสิ่งเดียวกันที่แนบแน่นมากๆนั่นแหละต้องค่อยๆฝึกมันไม่เห็นเราต่างจากจิตยังไงเลยอะแต่ว่าคิดเอาตามความเหตุผลดูจิตเกิดดับไปถึงะจะเห็นนะ จะเห็นว่าจิตรู้ก็ไม่เที่ยงจิตคิดก็ไม่เที่ยงจิตเพ่งก็ไม่เที่ยงดูอย่างนี้เรื่อยๆแล้วจะเห็นว่าจิตไม่ใช่เราแล้วเพราะจิตรู้ก็เกิดเองจิตหลงไปคิดก็เกิดเองจิตเพ่งก็เพ่งไปตามความเคยชินไม่ได้เจตนาจะเพ่งเราจะเห็นว่าจิตมันทํางานได้เองแล้วเราจะเห็นว่าจิตนั่นแหละเป็นอนัตตาดูมันทํางานได้เองกลับนมัสการหลวงพ่อแล้วก็ขอถวายการปฏิบัติ แตหลวงพ่อประโมทแล้วผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทุกท่านค่ะหมดธนาสาธุใครรู้ตัวว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบต้องสาธุให้เขานะถ้าใครยังรู้ปฏิบัติชั่วอยู่อย่าสาธุนะเขาเขาจาะจงให้เฉพาะผู้ปฏิบัติดี <c oughs> หมดแล้วมันหมดแล้วครับวันนี้นะครับก็มีญาติธรรมนําปัจจัยและไตยธรรมมาถวายร่วมกันนะครับ ขอให้ทุกท่านได้ตั้งใจกล่าวคําถวายทานนะฮะโดยที่ตั้งจิตเสมือนได้ถวายด้วยตนเองนะครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปัจจัยและทายธรรมและสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่หลวงพ่อปราโมทปราโมทโชขอหลวงพ่อได้โปรดรับ เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวตราบสิน้นกาลแะนานเทินสาธุอนุโมทนานะชาวเช้ามาฟังธรรมจิตใจจะได้พลังนะฟังธรรมตามการเป็นมงคลกับชีวิตข้อหนึ่งนะแต่ฟังตลอดการไม่ไม่เป็นมงคลนะ ฟังตามการสมควรแนละตอนนี้ก็ฟังเราจะได้พลังของจิตไปนะเราจะได้ขยันภาวนาถ้าบางทีห่างครูบาอาจารย์เกินไปบางทีขี้เกียจนะตามกิเลสไปถึงไม่เจอหลวงพ่อนะก็คิดถึงธรรมะคิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงครูบาอาจารย์อะไรย่างนี้ระลึกไว้ จิตจะได้สมาธิโดยอัตโนมัติในหลวงพ่อไปแล้วละหลวงพ่อต้องไปอีกไกลเย็นนี้ก็ต้องไปอีกนั่นะ